เกี่ย ไ, ได้ตรงเนี้นะตรงนี้ก็ก็ปอเชื่ออีกว่อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวในเรื่องของคําว่าแต่บาลีเวีเยจะมาไม่ได้มาดูท่านมาแกกันว่าพิ่ชายสงครามมันยอดเยี่ยมคือถ้าใครฟังพรหมชารสูตรแล้วเนี่ยจะย่ํายีเทวบุตรมานได้ย่ำยีขันธมานได้ย่ํายีมะจุมานได้แล้วก็ย่ำยีกิเลสมานคือทิฏฐิเป็นต้นได้ก็ก็น่าชื่นใจ ใ น, ในสูตรนี้ห ล, หลายๆท่านก็ก็ฟังไปไม่รู้ไปย่ำยีมาในยีตัวนี้เนี่ยทรงประกาศสพัญตยานอันลึกซึ้งแล้วก็จนถึงที่ตั้งก็ถึงเหตุของทิฏฐิอันใครๆไม่พึงจะรู้ได้จากปัญญาของชนเหล่านั้นฉะนั้นชนเหล่าอื่นไม่สามารถจ ะ, จะถึงเหตุที่มาของทิฏฐิเหล่านั้นได้เพราะสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มืดมิดแต่สัพัญตยานของพระบรมศาสดานี้ที่พระองค์ ได้มาเนี่ยสามารถกําจัดความมืดมนคือทิฏฐิเหล่านั้นดุจอุทิตเนี่ยดุจดุจพรทิฏฐิอุทัยกํากจัดความมืดเหมือนภาะทิฏฐิขึ้นแล้วกําจัดความมืดได้เช่นั้นตรงนี้ก็ก็ชี้เห็นเกี่ยวในเรื่องของบรรดามิจฉาทิฏฐิทีนี้เรื่องที่จะเล่าก็คือเกี่ยวกัเรื่องของอาริถกา พ, พิโกนะบอกว่าเออในบรรดาทิฏฐิต่างๆที่อาริถกาเนี่ยผู้กเกิดในตระกูลพานค่าแรงเนพานแรงเนี่ยมีทิฏฐิสมบอกว่า เรารู้ทั่วถึงธรรมของพระบรมศาสดาแสดงแล้วโดยประการที่ตรัสถามเหล่าใดไว้ว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่ทําอันตรายนี่เนี่ยธรรมเหล่านั้นไม่อาจทําอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงคือท่านเข้าใจว่าถ้าพระบรมศาสดาตรัสบอกว่าธรรมเหล่านี้สามารถจะทําอันตรายให้กับผู้ที่ส่องเสพผู้ที่ประพฤติปฏิบัติได้นะแต่ท่านบอกว่าไม่จริงเสมอไปแล้ว ทำบางอย่างพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นทำอันตรายแต่เราพิจารณาด้วยความเห็นของเราแล้วเห็นว่าทำเหล่านั้นไม่เป็นอันตรายอย่างที่ภูบุรุษาสสะดาตรัสไว้อย่างนี้ยพอท่านเห็นอย่างนี้เป็นเสร็จแล้วท่านก็ว่าว่าก็มีความเห็นแล้วก็ประกาศความเห็นของท่านพอท่านประกาศความเห็นอย่างนี้ออกมาก็เขาก็ถามท่านว่าอา ว, วุโสอริทกา พระก็ไปถามท่านได้ข่าวว่าท่านมีทิฏฐิสามหินปางนี้เกิดขึ้นว่าพระพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแล้วโดยประการที่ตรัสถามเหล่าใดว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมทำอันตรายธรรมเหล่านั้นหาอาจทำอันตรายแก่ผู้ทรงเสด็ได้จริงไหมคําคํานี้ต้องฟังให้ดีบอกธรรมที่ทําพระเจ้าบอกว่าธรรมเหล่านี้ที่จะสามารถทําให้ให้ให้ประสบอันตรายต่างๆเหล่านี้นะบอกว่า ท่านมีความเห็นว่าไม่สามารถจะประสบอันตรายอย่างที่พระบระมศาสดาตรัสไว้ท่านเขียนอย่างนี้ใช่ไหมอรัอริถะหรืออริถาภิขุ ก, ก็บอกว่าจริงอุโสมท่านบอท่านจริงจริงว่างั้นนะเราเห็นอย่างนั้นแหละผมรู้ทั่วถึงทำแล้วของพระบระมศาสดาแล้วเขาพยาฟังแล้วเข้าใจอฟังคิดได้เข้าใจได้ไม่ยากว่างั้นแต่ว่ามีอยู่ข้อมันมีอยู่หลายๆเรื่องนะว่าธรรมที่พระพ์พรพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมอันตรายธรรมเหล่านั้นนี่ย ไม่อาจทําอันตรายแกผู้ทรงเสด็จได้จริงหรอกเพรางั้นภิกษุก็เตือนท่านบอกเอาโสอลิทธะท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นท่านอย่าได้ว่าอย่างนั้นท่านอย่าได้เห็นอย่างนั้นท่านอย่าได้กล่าวตู่ว่าผู้มีพระภาคเลยการกล่าวตู่เพาผู้มีพระภาคเจ้าไม่ดีเนี่ยเพราะการกล่าวตู่พระบรมศาสดาเนี่ยจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากใช่ไหมจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมาก พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยทำทำอันตรายทำอันทำอันตรายนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยโดยบรรยายเป็นโดยปริยายเป็นนั้นมากนะเออพระพุทธเจ้าตรัสแยกแยะนะแล้วก็มีอันตรายหลายอย่างนะทำบางอย่างเนี่ยเป็นอันตรายต่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติก็มีนะใช่ไหมทำบางอย่างเนี่ยเป็นอันตรายต่อการบรรลุฌานบรรลุมรรคบรรลุผลบรรลุอธิโมกข์ต่างๆ่ันมีอยู่นะ ใช่ไหมก็ก็ก็สาธยายใ้ท่านฟังทีนี้แล้วท่านก็พระท่านก็บอกว่ากรามเนี่ยนะกรามทั้งหลายพระเจ้าตรัสว่ามีความยินดีน้อยก็มีทุกข์มากมีความข้าแค้นมากโทษโทษของกามทั้งหลายนะั้นมีมากยิ่งคืออย่างนี้ตรงนี้จะจับประเด็นได้คือว่าเล่าเรื่อง ทัา น, นก็อธิกถาขยายบนูนณาไว้เวลาฟังมันจะได้ไม่งงตรงนี้คืออริยสกาาเนี่ยท่านมีความเห็นบอกว่าเออเป็นพระเนี่ยจับต้องการหญิงไม่ผิดเลไม่ไม่ผิดเพราะคารวะที่เป็นพระโสดาบันคารวะที่เป็นพระสกขาทาคามีท่านก็มีลูกมีเมียก็ถูกต้องตายเป็นได้ก็ยังเป็นได้เลยนั้นพาะจะถูกต้องบ้างไม่เห็นเป็นเลยนะออคิดดีนะเ อ, อปริชชนหน้าคิดแบบนี้ใช่ไหม เห็นไมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดโดยสามัญชนโดยทั่วๆไปในคิดคิดอย่างนั้นแหละก็เหมือนหลายๆกลุ่มก็บอกว่าวิัยไม่ไม่สําคัญแล้วอยู่ที่ใจอ่ะเห็นไหมอยู่ที่ใจถ้าใจเราไม่ไปคิดอะไรมากแล้วมันจะเป็นบาปได้ยังไงเช่นถ้าเราจะนั่งสามล้อสามล้อเครื่องกับยมวหญิงนั่งสามล้อไปด้วยกันเนี่ยเอามันมีจริงนะบางประเทศพระเรานี่แหละบางประเทศจะนั่งสามล้อไปด้วยกันเลย นั่งติดกันเลยนั่งรถเนี่ยก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะจิตเรามันไม่เป็นบาปและเมื่อจิตไม่เป็นบาปเนี่ยมันจะมันจะไปขวางกั้นมรรคผลได้ยังไงอาริธรรมเนี่ยก็ดูที่ใจเยถ้าปุสรจิตเกิดขึ้นมันก็ไดไ้เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมนี่นี่คือหักชินาจักของพระเจ้าแล้วคือเอาอุดมภพกับหินภพเนี่ยไปเอาข้อวัด มันคนละเรื่องเหมือนอย่างนี้ข้อปฏิบัติข้อวัดของราชาพระราชากับสามัญชนเนี่ยเขาจะเหานว่าคาพูดต่างกันนะคําว่ากินใช่ไหมคำว่าสวยเนี่ยใช่ไหมย๊ะเออเป้เขาเรียกว่ามันผิดฐานนะอันนี้มันไม่ใช่ผิดแค่ฐานะอย่างนี้ที่ยกมาเนี่ยมันผิดธรรมด้วย ผิดธรรมด้วยแล้วก็ผิดวินัยด้วยโดยเฉพาะผิดวินัยเนี่ยเป็นข้อห้ามว่าสมณะสักยะบตรพุทธชิโนโรออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วทำจะไปถือข้อปาริบัติอย่างคารวะเขาได้อย่างไรใช่ไหมเพราะไม่ใช่ฐานะที่พระคนรจะไปทําอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นมันไม่ถูกมันไม่ควรมันผิดและ พระ อ, องค์ก็แสดงโทษของการมตั้งเยอะแยะในมาคันทีสูตรก็แสดงไว้ในทุกจุฬาทุกขาดันตสูตรมหาทุกขาขัน ต, ส, ต, ขขนตสูตรเป็นต้นก็แสดงโทษของการมไว้เป็นเอเนกแม้แต่ในคําสอนต่างๆที่แสดงชี้โทษของการมไว้อีกเยอะแยะโดยจํานองก็คือทําไมเธอไม่ฟังทําไมไม่ถอนเชื่อไหมว่าพระพูดอย่างนี้อริษากาพิขุก็ไม่ถอนมิจฉาทิฏฐินั่นเองไม่ถอน ก็ยืนยันว่าตนเองเข้าใจตนเองเข้าใจตนเองได้ความสงบจากการปฏิบัติตนเองรู้ท่วถึงนี่ท่านไม่รู้อย่างเรารู้เรานี่รู้ธรรมของพระบรมศาสดาเไม่ว่าแต่ท่านเลยต่อให้พระศาสดาพระต่างตีนี้เราก็ไม่เชื่อพระศาสดาเพราะเราถึงเราเข้าใจอัธถตัว น, นี้ปรากฏแก่เราเราก็ใจชัดเราทดลองดูแล้วบาปไม่เกิดแก่เรา คือบาดเมื่อเกิดกับใจกัท่านเพราะท่านเป็นสำคัญมิจฉาทิถีเป็นปัญญ า, า, าเท่าไหร่ยังท่านไปสําคัญไอตัวมิจฉาทิถีกับตัวปัญญาเนี่ยท่านไปสําคัญผิดว่ามันใช่ปัญญาทั้งๆที่ท Ki เป็นมิจฉาทิถีถามว่าคนในยกปฏิบัตมีน้อ ย, อยเรื่าอะไรที่ไปเข้าใจมิจฉาทิถีเป็นปัญญาเนี่ยแล้วก็ไปสําคัญตัวเองถึงทำอะไรทั้งหลายเนี่ยไอตรงเนี้ยก็ต้องขุดเข้าไปให้มันเจอว่ามันเป็นอย่างไงบางครั้งเนี่ยไอเรงนี่แหละ เป็นพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิซะเองแล้วไปเข้าใจมันเป็นปัญญาก็ไม่ได้ฟังวระธรรมของพระพุทธเจ้าเลยนะมันแวบบรรลุขึ้นมาได้ไงเนะี่ยถ้าไม่ใช่ทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิแล้วมันจะอะไรล่ะใช่ไหมถ้าเป็นวระธรรมของบลมศ า, าสด า, ามันต้องตรวจสอบได้ต้องต้องไปดูในเฉาวิโสธนสูตรดูทีพระพุทธเจ้าตรวจสอบการบรรลุยังไงหกประการเนะี่ยก็ต้องไปพิจารณาดูตาบลำดับทีว่ามันมันใช่ไหมนี่ไม่ยอมเอาสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสใช่ไหม ตนเองอาจจะจับประเด็นไม่ได้ทุกๆคําสอนเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจสอบพอไม่ได้ตรวจสอบก็ผิดพลาดไอต้ตรงเนี้ยอย่าแปลกใจเลยว่าบางครั้งเราฟังธรรมของพุคคลมศ า, ศาสดาแล้วมันก็ค้ายนก้กในใจอยู่เนี่ยบอกเออเป็นไปไม่ได้เพราะเราเอาตัวมิจฉาทิถีเนี่ยไปเทียบกับสัพพัญญุตยานซึ่งคนละเรื่อง อย่างเรานั้นมันได้มิจฉาทิถีมาโดยการไม่ได้บำเพ็ญบารมีอะไรเลยสักข้อมันได้มาจากการทําบาปอัตยาใัยที่มันทํามาเนี่ยมันโดยฝังแน่นในบลณามิจฉาทิถีเนี่ยแต่สัพพยุตยานเนี่ยต้องได้มาด้วยเรี้ยวแรงของมหาบุรุษได้มาด้วยกําลังของพระบารมีสิบอุปปารมีสิบปรบัติบารมีสิบได้มาด้วยอาศัยการเวลาอัยาวไกลอันยาวนานในการกลัวจะได้สัพพายุตยานมา ทีนี้เอามิจฉาทิถีไปเทียบกับสรรพยุติยานคนลประเด็นไหมคนละประเด็นคนละเรื่องคนละกลุ่มกันเลยอะคนละพวกเลยทําดําก็ทําขาวเลยอทําที่เลวกระทาที่ประนีดเลยเป็นอัปภมาถ้าทำกับเป็นพวกกลุ่มกันในเรื่องของเอะฮีนาธรรมเลยนะทําที่ประณีกระทาที่ต่ําอะทําที่รามกอะมิจฉาทิถีเป็นทำที่รามกเป็นทำที่ต่ําเป็นทำที่สามเป็นทำที่ไม่ควรเอาไปเทียบใช่ไหมเหมือนกับ สุนักโรกเรกลื้ยนกับราชสีห์่คนละอย่างกันไหมคนละอย่างเอาไปเทียบไม่ได้ความคิดของสุนัขเนี่ยนะที่เป็นโรคเลี้ยสุนัขที่เป็นขี้เลือนด้วยเนี่ยนะกับพระญาราชสีหนะ์เนี่ยไปคิดคิดกันได้ยังไงอย่าไปเปรียบอย่ามิจฉาทิฐิไปเปรียบถ้าจะเปรียบพเพื่ยจะให้เห็นสัพพยุตยานเด่นขึ้นเพื่อจะให้เห็นมิจฉาทิฐิเนี่ย น, น่าเจียดน่ากลัวมากขึ้นว่าเรียวา ม, มากขึ้นที่มันปักแน่นในกระแสขันเนี่ย ถ้าเรารู้ตัวอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเราไม่ได้มียานเราไม่ได้มีสัมพัญญุตยานเราไม่ได้มีอนาวนาณญญาณไม่มีอินทรียะปโรปริยัยติยานไม่มีมหมากรุณานสมาปฏิยานไม่มีอาศยานุสยายานแต่เรามีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเออถ้ารู้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอ๋อเป็นอย่างนี้เองฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะได้รู้ตัว ว่าเราไม่ใช่ราชสีเห็นไห ม, มความคิดของเราเนะี่ยไม่ใช่ราชสีเออถ้าาคิดอย่างนี้เบิกเสร็จอ๋ยเข้าใจอ๋อเป็นอย่างนี้เห็นไหมงั้นเะวลาศึกษาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วเนะี่ยการเรียนพระธรรมมันก็เรียนแบบลืมเนื้ยลืมตัวเห็น ไ, ไหมการฟังธรรมก็ฟังแบบลืมเนื้อลืมตัวเวลาไปประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบลืมเนื้ยลืมตัว ก็ไปเดินมิจฉาทิฏฐิกันอยู่นั่นแหละเดินเดินกันอยู่เนี่ยหะใช่ไหมกลับมาก็เราเข้าใจแล้วมันก็มีไอ้คำว่าเราไปเข้าใจอยู่นั่นแหละเราทํากรรมเใช่ไหมเรารับผลของกรรมเนี่ยมันจะมีคําว่าเราไปหมดเลยอะ่ะนั่นให้บ่งบอกว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันฝังแน่นในกระแสะขันธ์ญาณิยตนะของสัตว์ทั้งหลายมาอย่างยาวไกลแล้วและ ในขณะที่เรามานั่งเรียนว่าทำมันก็มานั่งเรียนกับเรามันมานั่งเรียนกับเราอยู่นี่แหละเพราะบางครั้งปัญญาเกิดบางครั้งวิชฉาทิฏฐิก็มาเกิดแทรกไประยะระยะระยะอยู่เนี้ยและในสังในในชีวิตที่ผ่านมาจนมาถึงกันหลายๆเนี่ยนะจนมาเข้าถึงวัยปลายบรรยากาศคนกันแล้วนี่ปลายคนแล้วเนี้ยทีนั่งๆกัอยู่เนี่ยก็เป็นวัยที่ ใกล้ๆที่จะโบกมือลาลูกลาหลานกันแล้วเนี่ยเนี่ยบอกว่าไปก่อนที่ตาไมจริงๆใช่ไม้มจะโบกมือลากันอยู่แล้วที่ว่าเราพยายามจะยื้อกันเนี่ยพยายามจะยื้อบอกอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ให้ลูกหลานได้ช่นของชื่นใจหน่อยเนี่ยแต่จริงๆยื้ไม่อยู่หรอกผู้ยือ้อเราหยุดไม่อยู่เขาห้ามยือ้อหมายความว่าอย่าไปพูดเพื่อยือ้ แต่รักษาให้ดูแลแล้วก็บอกค้นทางบอกวิธีคิดอย่าไปยื้อบอกอยู่นานๆอยู่นานๆเนี่ยท่านก็ไปฝังความคิดผิดใช่ไหอู้ใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมตั้งมิจาทิฏฐิเกิดขึ้นในขณะใกล้ตายอ่ะถามว่าท่านจะไปไหนไมานก็บายอีกเดี๋ยวจะชี่ยดูว่าตัวมิจาทิฏฐิมันอันตรายขนาดไหนอันตรายตั้งแต่สักยะทิฏฐิไปเลย ว่าสักยะที่ถีเนี่ยมันกั้นสวรรค์ไหมเดี๋ยวจะชี้ดูว่ากั้นไม่กัน้นใช่ไหมโดยฐานรวมๆเขาไม่กั้นหรอกแต่ถ้าเกิดจริงๆกัน้นเดี๋ยวจะไปชี้ดูว่าอีกเป็นยังไงตอนเนี่ยถ้าเราไปเข้าใจว่าเราทําเราพูดเราคิดลูกเราหลายเราเนี่ยถ้าเข้าใจตอนนั้นนะตอนใกล้ตายนยจะไปไหนก็ไปบาปเพราะไม่ปล่อยใช่ไหมใจมันผูกยึด พอใจมันผูกเย็ดป๊บเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิได้ๆๆใช่โลภะไหมอ้าวเมื่อเป็นโลภะแล้วจะไปสุคติได้ไหมมันไม่มีฐานะหรอกจะไปเอาฐานะไหนไปสุคติภูมิก็โลภะาชาวนาเกิดใกล้ตายแล้วโลภะาชาวนาเกิดในมนาสนะวิถีนั่งจะพายเอาบยกจะไปสุคติภูมิได้ยังไงนี่เราเนี่ยมาเนี่ยไม่ได้มาด้วยสักยะทิฏฐิมันมาด้วยกุศลและจิตล้วนๆมันมีสักยะาทิฏฐิเลยนะเนี่ยวันนบุญแท้ ที่มาเนี่ยไม่ได้มาด้วยความเห็นผิดมาด้วยความเห็นถูกแต่มันสลับทันพอดีไงไอจะหลับไ อ, ไอสลับวิถีทันพอดีกลายเป็นกุศลตอนนั้นนไอมิจฉาทิถิมันไม่เกิดมิจฉาทิถิมันหลุดจากจิตพอดีเลยมันเลยได้สุขติทําไมมาโชคดีแบบนั้นใช่ไหม ย, ยิ่งกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกนะเนี่ยไอกรณีที่จะได้กุศลก่อนตายสักขนาดจิต ก็จะ okay. เป็นไปเพิ่รสัจชานะสองสามชาวนะเนี่ยก็จะเป็นปัจเจกแก่ได้ปฏิสนที่ได้กรรมนำปฏิสนที่ในพบต่อไปเนี่ยตอนนั้นเน่ยสักะยะทิถีมันหลุดจากใจแล้วแต่ถ้าหักตายด้วยสักะยะทิถีเห็นว่าตัวเป็นต น, นเนี่ยนะลงอบายทุกอย่างสัจชนใหญ่จึงลงบ่ายภูมมรสิตขึ้นสุขติภูมิแล้ามาจะถามตลอดใช่ไหมอาจารย์ถามตลอดว่าพี่ลงมาเันได้ยังไง ไม่ใช่ธรรมดาที่มาเนี่ยแปลว่าถูกคัดสรรด้วยกรรมอย่างดีเลยนะแต่มาแล้วมาลืมตัวกันแค่นั้นเองมาลืมตอนนี้ไม่รู้คิดได้อย่างู้เริ่มคิดได้จะมาการลืมตัวมันก็จะเริ่มน้อยน้อยลงนี่นี่มองเห็นใช่ไหมว่าเป็นอย่างนี้ว่าฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า เ, ออเดี๋ยวไปอยู่แต่ก่อนเนี่ยอพอสุดหมา ถ, ถึนี้ ไม่เป็นไปไม่ได้โอ้โหถ้าสักยะทิฏฐิเนี่ยถ้าสักยะทิฐิเนี่ยกั้นสวรรค์เลยนี่ยุ่งแล้วเอาไปเงินทุกคนเลยใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าบ้านเรารถเราเงินเราขึ้นชื่อว่าทิฏฐินิดเดียวกับกั้นสวรรค์นิดเดียวกับกั้นเราทำยังไงให้มันเกิดมากๆเลยมันเสี่ยงไหมอัตราเสี่ยงสูงไหมเนี่ยเสี่ยงสูงมาก งี้โทษถอนทิฏฐิไม่ได้นี่ถึงบอกว่าเวลาใครอุ้ยท่านคนนั้นปฏิบัติถูกท่านคนนี้ปฏิบัติผิดท่านคนนั้นเห็นถูกท่านคนนั้นเห็นผิดอย่าไปว่าใครอย่าไปว่าใครเพราะว่าไอ้ที่บอกว่าปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกเนี่ยเอาเข้าจริงก็ใกล้ตายาวิชาทิฏฐิสวมปุ๊กก็ <c oughs> เลยไหนเดี๋ยวก็บอกไหนอะคุณว่าแต่เรา่าปฏิบัติผิดทําไมเอาตัวไปรอดเพราใจยัง นี่ทำไมไปลงมาอยู่อไอ้ใบภูมิซะแล้วใช่ไหมเสร็จเลยไม่ตจะไปว่ากันให้เห็นใจกันเกิดมาน่าเห็นใจมากในบรรดาที่มีมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายหน้าเห็นใจมากใช่ไหมหน้าเห็นใจจริงๆนั่นเนีย่ยเราพูดๆไปเนี่ยโก็แต่ละคนก็น่าเห็นใจนาะคนมีกิเลสเนี่ยแค่ไหมใช่มัน เ, เราจะอตัวร่อกันไหมเนี่ยอะไรก็คิดกันอยู่เนี้ย ที่ตอนเนี้ยที่คิดกำลังคิดที่จะรอดหอไม่รอดเดี๋ยวเดียวใช่ไมเอาไหนนั่งกล่าวว่าทําอยู่ดีๆใช่ไมท่านมาเกิดอย่างนี้ยุ่งอีกใช่ไหมมันมันรอดยากถ้าคนไม่ระมัดระวังเนื้อระวังตัวให้ดีจริงๆเลยนะเนี่ยโดยเฉพาะช่วงอายุรวงการผ่านวัมากๆแล้วเนะี่ยความหลงลืมหลงลืมเยอะๆเนี่ยต้องระวังเดนะีทีนี้ตรงนี้ก็คืออะไรตอนนี้เข้าใจนะว่า พพพเพราะพุ่ยภาคเจ้านี่นะว่าอริ tha พิคูลเนี่ยกล่าวตู่พุทธเจ้าไม่ดีแน่เ พ, อ พ, อ พ, อ พ, อพอราะพระ้าธรรมศา ส, สดาต ร, ารัสว่กากามเนี่ยโทษของกรมเนี่ยโทษของวัตถุกามทั้งหลายโทษของกิเลสกรรมทั้งหลายเนยเป็นอันตรายแกผู้สร้งเสร็จนะว่าไงนะพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรมเนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีกิเลสกรรมเป็นต้นก็ดีเนี่ยนะมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความกัปแคนมากโทษของกามทั้งหลายนี้มากยิ่งนะโอ้โหโทษของกรรมมีมากจริงจริงนี่ย เรเอาแค่ว่าอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ ย, ยที่จะต้องต่อสู้ในการชิงกรมคุณกันทั้งหลายเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาจนทุกวันเนี่ยกว่าจะได้มาเนี่ยเอาลงมาคิดดูสิว่ามันมากขนาดไหนนั่ น, น ย, ยกตัวอย่างเห็นกว่าเราจะได้บ้านทั้งหลังโอ้โหปริมาณจิตปริมาณกรรมที่เราทำมากว่าจะได้บ้านแต่ละหลังนี่นะโอ้โหปริมาณเม็ดของชาวนาที่มันเกิด แล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้นี่กุศลอะกุศลเป็นยังไงอยู่ไหมว่าสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงมิจฉาทิฏฐิเป็นยังไงเราลองนึกอดีต ด, ดูทีเอาแค่อดีตที่ในปัจจุบันเรพบเนี่ยเรามาพิจารณาดูที่กว่าที่เราจับจัได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผสัสกว่าที่จะทําประกอบอาชีพการงานในการหาแสวงหาทรัพย์ทั้งหลายเนี่ยลองดูทีล้อมเหน็ดเหนื่อยอะ่ะแล้วจิตที่มันเป็นไปกับที่เราไม่ได้คัดเราไม่รู้เลยอะ่ะว่ามันเป็นชาวนะประเภทไหนโทษจากแค่ไหนอะ มันได้มาจริงเนี่ยวัตถุเนี่ยเราได้มาแล้วแต่โทษที่เราจะต้องไปรับนี่ยจากการแบกวัตถุกรรมหรือแสวงหาวัตถุกรรมต่งางๆเนี่ยจากการที่เราจะต้องไปเจ็บปวดเนี่ยเจ็บปวดเนี่ยเพราะว่าไม่เป็นไปกับกุศลโดยส่วนเดียวแน่นอนเอาเอาเอาเอาอะไรมาเนี่ ย, เ, เ, เ, าา เ, ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจุด ข, ขายดูขนาดไม่ค่อยได้ทําอะไรกับเขามากเลย เพราะว่าพ่อแม่ก็บอกเหมือนงานการไม่ค่อยทำเท่าไหร่เนี่ยนะมัวแต่มาคิดกลัวบาปกลักรรมเนี่ยนะแต่นนั้นก็ยังไปโชคเรืต้องไปทุกต้องไปฆ่าสัตว์ถึงบอกปริมาณเนี่ยไม่มากก็แล้วแต่แต่ก็ะทับเลยแล้วทําไปแล้ ว, แ ล, วและยิ่งไปเกี่ยวข้องนะ ย, ยกตัวอย่างเช่นว่าไอ้ไทยพื้นนกันดิได้ไหม ถามว่าในขณะที่ไถพืชแผ่นดินก็ดีขุดดินเน่ยไอ้มาขุดมากก็ถึงไอ้ตำที่ขุดดินนี่แหละขุดไปปุ๊บแต่ละทีก็ใส่เดือนตัวขาดบ้างมาแมลงตัวขาดบ้างบางทีเยอะไปหมดไปขุดในป่าเนี่ยต้องทวนดินปุ๊บปุ๊บปบขึ้นมาเนี่ยขาดเป็นแถวสับมาเห็นบ้างไม่เห็นม้างก็ต้องคิดดูดิเพื่อจะได้ข้าวกินเนี่ยแล้วก็ไปปลูกข้าว พอปลูกเบ็เสร็จทีนี้ก็เบเสร็จขึ้นมาก็คือพ่อแม่ให้เอายาไปโรยให้ปูปลูไปกินข้าวแมมาก็ไปเอาไม่ทํานี่คนอื่นก็ไปทําคนอื่นทําไปเสร็จตนนัวเองก็ไปยืนดูปูมันชักดินชักงอตายน้องตัวนี้เนนะี่ยมันโอ้โหมันมันเท่าไหร่มันแค่ปูหรือเปล่า ที่มันตายกาจะได้ข้าวมันกินกันทุกวัน ấy. มันแคบปูมั้ยต้องดูที่ว่ามันเนี่ยโทษของกรรมโทษของกลัวจะได้ข้าวมันกินเนี่ยเราต้องเราต้องเราต้องฆ่าคนเท่าไหร่ต้องฆ่ า, าสัตว์เท่าไหร่ที่เรากินข่าวมันแต่ละมือ้อแต่ละมื้ออยู่เนี่ยชาวนาเขาเปื้อนบาปเท่าไหร่เนี่ยกินผักกันเนี่ยชาวนาเขาเปื้อนบาปเท่าไหร่เขาต้องฆ่าสัตว์เนี่ยนะฆ่าแมลงฆ่าอะไรต่างๆก็คือกลมสังสารวัตรเนี่มันเป็นโทษอย่างเนี้ย พระเจ้าประกามาเนี่ยมีโทษเยอะมันมีคนน้อยนิดเดียวสุขที่เราได้อ่ะเช่นเราได้กินอาหารสุขไปมือมือเนี่ยแต่ในเบื้องหลังของความสุขมือมือหนึ่งนั้นเนี่ยมันเต็มไปได้วยความเปื้อนเลือดนี่ไงมันมีโทษมากเรากว่าเราจะได้บ้านทักหลังเราถมที่เราควนดินเราขุด ปริมาณพื้นที่ใช่ไหมปริมาณบาปที่เกิดขึ้นทั้งคนทําบ้านเนี่ยต้องเล่นกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่างๆ่างอะเนี้ยปริมาณที่ก่ออีกขึ้นมาใช่ไหมปริมาณที่เราจะต้องไปเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ต้องไปเครียดไปคํานวณมันบุญไหมเนี่ยปริมาณเม็ดบุญใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นอย่างยาวอย่างยาวไกลกว่าจะเสร็จเนี่ยบางทีเราก็ต้องหน้าดำก็มําเครียดทําไมไม่เสร็จ ต้องเสร็จสิลองดูสิล อ, องปริมาณดูถ้าบอกกวาจะได้วัตถุกรรมชิ้นนี้มาเนี่ยถามว่าแล้วคมมัหยคมกับบาปที่ลงทุนไปัหมเห็นไหมเนี้ยมันมันก็เป็นกันอย่างเงี้ยกอนเนี้ย ก, กูตีหลังเนี้ยแต่กวดแล้วก็เห็นเ็าทำยินชช่างก็ทำพระก็มาช่วยกันไม่รู้คิดปิดคิดถูกกันก็ไม่รู้นี่นะ ตอนนี้เขาทำเนี่ยเหนื่อยบางคนก็เหนื่อยขนทรายกันอึดอดอจนเหนื่อยคนก็บน่นแน่นโองก็ถูกตีพี่ยุกตัวในตรงเนี้ยไ อ, นน เ, อเราก็ไปมองเขาทำนะตอนนั้ น, เนพเราก็มาอยู่ไม่นานด้วยกันก็ดูโอ้โห ด, ดีถึงเตะกันใช้คำหยาบหยา บ, บเรียกกันอีนี้วงนีน้นอนหรือไงสาวนั่ดูที่เนยกตัวจะได้หลังนี้ขึ้นมาเนี่ยมันบุญไหมเนี่ย มันดูเหมือนว่าคนทําก็ได้บุญไปเยอะมากคนที่ก็ไปจากต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อย ม, มาดูเท่าไหร่เนี่ยไอ้คนทํำเลยทั้งช่างก็ดีทั้งทั้งลูกมือช่างก็เอาไม่ไม่เป็นก็เอาหยุดเรียนกันแล้วก็มามาช่วยกันขนนุ่งขนสายอย่างนู้นจอดเงินขนเงินโยนเงิน บ, บ, บ, บ, บุ๊บมาเล่นกันสนุกสนา น, นยังเนเล็ๆอ่ะพระด้วยเลดยด้วยก็นสนุกกันกนะ เสงองหอบเลาะ ก, กันอะไรเงี้ยนะมันถามเหมือนบุญเนะี่ยแต่มันใช่ไหมละ่ะอันนี้พูดให้ฟังว่าเออมันเป็นอย่างนี้แล้วทางโลกไม่ต้องพูดถึงการนี่มีอยู่ใน ใ, ในในจุดถึงเนี้ยเราก็มาสังเกตโอ้พุทธเจ้าบอกว่าโทษของกาม่มีมากความสุขที่ได้จากเขาเขาให้เขาให้นิดเดียวเขาให้นิดเดียวนี่ทุกข์นี่ตรงนี้เป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าการทั้งหลายก็บรมศาสาดาเปรียบเส ม, มือนล่างกระดูกมีทุกข์มากมีความกระแพนมากโทษของการทั้งหลายน้ำมากยิ่งนะการทั้งหลายพระพุทการทั้งหลายพระพุทธเจ้าบอกว่าเหมือนเปรียบเส ม, ม, มือนกับ อ, อชิ้นเนื้อถ้าคำว่าชิ้นเนื้อนีอ่มันเป็นทุกข์มันมันมันเป็นโทษยังไงชิ้นเนื้อเป็นโทษยังไงฮะชิ้นเนื้อเป็นโทษยังไงฮะ พกนกทั้งหลายใช่ไหมมันมาจิกกินชิ้นเนื้อเนี่ยมันแย่งกันนะคนที่แย่งกามาคุณงเงนมาทุกวันมันแย่งที่กันใช่ไหมต่อสู้กันธุรกิจเนี่ยต้องต่อสู้กันนะถ้าถามคุณยดมกันเองมันจะรู้มนะันไม่ต่อสู้อยู่ไม่ได้ต้องต่อสู้กันค่อนข้างรุนแรงเอาทีทุกรูปแบบเลยใช่ไหมนั่นแหะก็คือสุดชิงกันนี่แหละต้อง ถ้าใครถ้าใครสามารถรอดพ้นนั่นได้ก็เรียกเก่งเก่งนี่นอย่างี้ก็เป็นงนี้ทุกวันก็เป็นงอยูง่งี้แล้วก็ต่อสู้กันไม่มีทุกจบัจบจับจับสิ้นต่อว่ากันไปนะบริจาเปรียบเสมือนกับคบญ้าคบญ้าที่จุดไฟนะแล้วก็เผาไฟไปเสร็จก็วิ่งแล้วไอควันเนี่ยนะเปลวไฟต่างมันก็โถมเข้ามันมันไหม้โดยมันไหม้โดย อะไรไม่ราคะโทสะโมหะชาติชราพยาธิโสกับนี่เดียววัตถุคตินะสัตว์อุปายาตใช่ไหมไฟเสบกองนี่มันจะเผากับคนที่เกี่ยวข้องนว่าถุกไหมอันนี้เนี่ยเรามาพิจารณาก็จะเห็นว่าฉะนั้นพระพุทธเจ้าแต่การมทั้งหลายพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเสมือนความฝันโรงแรมหนึ่งเหมือนฝันจริงไหมเนี่ยก็คือฝันเลยอ่ะที่ผ่านมาลืมหมดแล้ววันนี้ใช่ไหมเหมือนฝันเหมือนหลับตื่นนั่งฝันเนี่ยที่เราว่าโออเรา เราได้เรามีเราไม่ได้เราเสียหายเราไม่เสียหายสมหวังหรือผิดหวัง่ะฝันแท้เลยเพราะในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนความฝันที่จําไม่ได้ปัจจุบันในพรนี้ที่เราทําอะไรไปแล้วเนี่ยนะทั้งที่เราสมหวังผิดหวังะที่จําไม่ได้ก็เยอะอยิ่งในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยจําไม่ได้เลยนี่ยเหมือนความฝันแท้ แต่ใช่อไหมว่าเราใช้ขันท่นาได้ยศคณะของเราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับวัตถุ ก, การมาอย่างยานะลองคิดดูนะว่าบางภบเราเป็นพระราชาเเราจะถึกหมูเราจะตำกํากันนั่นเลใช่ไหมลองคิดดูทจนิงๆบางภบเรากาลายเป็นเพชฌฆาตซะเองเป็นผู้จัดการเป็นผู้ฆ่าซะเองบางภบเป็นหัวหน้าโจรใหญ่เพราะความคิดฉลาดเลยไปเป็นหัวหน้าโจรเลยเลยดยเี๋ยวนี้ นำกองทัพออกข้นก็บูดดื้อเนี่ยนะบางพบชายก็มาบวชโหแตกฉันมาทำคำสอนเขียนตำราเลยบางพบนี่เป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสนาวิสอนวิปัสนาก็มาฐานก็นอยู่แต่ตนเองมันรู้ไหมนะโหน่าสลดใจนะเรื่องการนี้วันหน่น่าสลดใจมากเหมือนความฝันนั้นถ้าหากว่าลรลึกชาติได้นะ นั่งร้องไห้สูงสูงต่ําๆสูงสูงต่ำต่ำตำตำอัตภาพที่ผ่านมาใช่ไหมบางทีก็เป็นอบายศัสตร์ดีหลุดจากอบายศัสตร์มันยังดีอยู่อย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้นะคือมิจฉาทิฏฐิไม่พัฒนาตัวไปยนถึงนิยามมิจฉาทิฏฐิแสดงว่าเราป้นเปี้ยนป้นเปี้ย น, นอยู่ในาศาสนาพอสมควรเลยคือมันก็ยังดักดักไว้อยู่ได้ แต่บางทีมันจะเลยเถิดอยู่แล้วเนี่ยางทีเอวิชาที่ทีเนี่ยเใช่ไหมสแสดงว่ามันเกี่ยวพันเรื่อยๆเลเนี่ยมาแบบเนี้ยมาแบบคล้ายๆแบบเนี้ยแสดงว่าโอ้เอาตัวรอดได้บ้างเลยบ้างโวดวิดวิดเนี่ยนะใช่ไหมแบบบุดวิดเลยก็แค่บุดวิดบุดวิดเลยแล้วเขาไปประมาทต่อบุดวิดไปประมาทต่อบุดวิดไปประมาทต่ออย่างเนี่ย in โอ้เล่นชีวิตหวาดเสียวแท้ถ้ามันเลยเถิดไปเป็นเนื้ตาวิชาที่ทีเนี่ยก็ มันก็เลิกคุยกันแล้วมันไม่มองพระเจ้าแล้วกลุ่มเนี้ยหันหลังให้พระเจ้าแล้วก็เป็นกลุ่มที่ออกนอกออกนอกสังสาวัตรอยู่ในสังสารวัตรไปพวกนี้พวกหลักพวกก็เรียกว่าวัดตากฐานุแปลว่าหลักตอของวัดตาไปเลยการทั้งหลายพระพุทธเจ้าเปรียบว่าเหมือนของยืมก็มาโอ้โหจะส่งคืนมเมื่อไรไอ้ของยืมเนี่ยฮนะยองรำพิษ นี่ไปยืมก็มานี่เนี่ยตาเรายืมก็มาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยยืมก็มาเสื้อผ้าเรายืมก็มาสมบัติทั้งหลายยืมก็มาเจ้าของก็ตามทวงยืมเนี่ยนี่เราก็ประเภทคอยหลบใช่ไหยคอยหลบหลบบหลบเห็นนักฆ่านักฆ้าก็ทวงมาไปยืมใช่ไหมเนี่ยยืมมาไหมยืมมานี่ส่ใกล้ส่งคืนนี่ไงส่งกรรมทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปรียบเธอเหมือนผลไม้ผลไม้ที่มันดกดกคนแย่งกันมัน แย่งกันโว้ยแย่งถ้าหากว่าเราไม่มีผลไมเ้เสียแล้วนี่ยใช่ไหมเราก็ไม่ต้องแย่งแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนทุกวันเนี้มันเดือดร้อนเพมีผลไม้ก็เพราะมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างถาวรได้แต่ว่าแล้ใครจะมาแย่งเนี่ยมันก็แย่งกันอ้โหแล้วเราปลูกไว้วววเยอะเลยผลไม้เนี่ยป็นแย่งกัน การต่างหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเปลียดเสมือนเขียงสําหรับสัตว์เนื้อไม่ใช่หั่นเนื้อนะเขียงสําหรับสับเนื้อหวาเสียงไหมปุ๊บบปุ๊นีนั้นมีตามีหูมีจมูกมีเล่นมีกายมีใจเม่ไรก็คือการมีเขียงโทษทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นจากความวิบัติก็เหมือนมีมีแต่มันสาบมาแต่ละที ป่าเดียวไหมล่ะมีตาเดี๋ยวเขาก็สับปึ๊กเขให้ก็เมื่อเช้าเนี่ยผองให้ให้เนี่ยรงคิ้วนั้นก่อนคิ้ ว, วยังเมื่อปุ๊บก็ตาก็ให้เลยเลือดไหลเนี่ยใช่ไหมนึกย่ยโอนี่เขียงเขียงหันเนื้อเพราะมันคิ้วมันออกมามโคนไม่ไม่ไม่ถนัดให้เนี่ยโคนโดนเนี่ยก็มือใส่ก็คือเรียบร้อย โอ้โหร่างหน้าไม่ได้นี่หักเขียงเขียงนั่นเนื้อนี่ใจใจโอ้โ ห, หววาดเสียวมากชีวิตเนี่ยและอกอย่างก็คือเนี่ยมันเขียงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตามทั้งหลายวิทยาศตร์ว่าเหมือนกับหลาหมนันเป็นหลาที่มันคอยพุง่ง และการตั้งหลายพระทเจ้าเปรียเสมือนศีรษะงูเหมือนหัวงูเห่ามีทุกข์มากมีความกับแค้นมากโทษของกาวตั้งหลายนี้ยิ่งนักอริ t ะ a พิขูผู้เกิดในตระกูลคนฆ่าแรงแม้ภิกษุเหล่านั้นกล่าวอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดถือทิฏฐิเห็นปานนั้ น, เ ห, น, ห น, น, หหนเห็นั้ยขนาดพณานาฟังแท่งตก็ฟังได้ไม่าทิฏฐิเลย ลองคิดดูนะว่าบางคนไปฟังธรรมเนี่ยพอฟังฟังฟังเสร็จแล้วเนี่ยฟังไปเสร็จก็ได้พิจารที่ที่เก่เนี่ยข้าเนี่ยท่านสาธยายใน ย, ยุคก่อนเนี่ยท่านสาธยายทั้งอุปมาอุปมาไม่นะสาธยายที่ก็ฟังแล้วที่ฟังได้พิจาที่ถี่ไอ้คนฟังได้มิจารณที่ถี่มีทองมันอยู่เนี่ยมีทงคิดของเขาอยู่ยะจะเล่าพูดกระพุ่นหมาันมองตาใสาๆเงี้ยมองพอจบปับ๊บบอกไวเราก็ยังเห็นอย่างนี้นก็เห็นชัดๆเลยเนี่ย ก็เรามีปัญญาเราเข้าใจใช่ไหมท่านไม่เข้าใจเราท่านจะพัลนาอย่างไงท่านก็ไม่เข้าใจเราเข้าใจพระธรรมของพระเจ้าเลยฮะไม่ต้องมาบอกว่าเหมือนชิ้นเนื้อเอ้ยเหมือนเคียงหั่นเนื้อเอ้ยใช่ไหมเหมือนผลไม้เอ้ยเหมือนความฝันเลยเหมือนของยืมเข้ามาเนี่ยเราท่องได้เราจาได้ท่านไม่ต้องบอกไอ้ตรงเนี้ยเราเข้าใจเราเราเราจำได้เลยและเราเข้าใจด้วยว่า โทษของกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังไม่ทําที่งสามารถทำอันตรายแก่ผู้ซ่องเศษได้จริงเรามองเห็นว่าแม่อันตรายที่ไปอันตรายได้ยังไงก็มาหาพูดดินน้ำใบลมมันกระทอกกับดินน้ำไปลมไม่เห็นมีอะไรเลยก็เรามองเห็นโดยความเป็นปรมัตดเมื่อแล้วเรามองเห็นด้วยความเป็นปรมัตดเนี่ยท่านท่านเห็นอย่างนี้นะอริยสกขาพิคูลท่านเห็นแบบนี้เมื่อถ้ามองก็เหมือนเออเป็นปรมัดต่อปรามัดนะ รูปต่อรูปกระทบกันความเป็นหญิงเป็นชายเนื่องสมมุตินี่ถ้านเป็นทงเคาะทาที่เป็นประมาับบัญญตัตบปนกันเขาอีกนะเนี่ยเหมือนคนบางคลใช่ไหมเวลาจะพูดดักในเรื่องนี้เขาก็แพร่ไปเรื่องหนึ่งยิ่งรู้มากอะ่ะเพราะเขารู้ด้วมิจฉาทิฐิเนี่ยเหมือนถ้าถามบอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงแล้วบอกไม่เที่ยงเันดีเลยใช่ไหมแต่อัดของความไม่เที่ยงเคยกระทบใจเราชัดไหมเวทนาสัญญาสัญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงบอกไม่เที่ยงว่า เ, เกิดมาก็ตายกันทั้งหมดแหละเนี่ยมันไม่ได้เห็นด้วยปัญญามันเห็นด้วยทิฏฐิใช่ไม่ใช่ถ้ามันเห็นด้วยปัญญาัะไม่นั่งกันอย่างนี้หรอกมันจะดุ้งสะเทือนมากกว่านี้แล้วไข้ควรมากกว่านี้พิจารณาตรายต่องมากกว่านี้นี่เขาเรียกว่าเห็นแบบไม่เห็นแบบมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เห็นด้วยปัญญาถ้าปัญญาเห็นปุ๊บนี่นะอัตตาว่าไม่เที่ยงนะมีแล้วกลับไม่มีเนะี่ย ทุกนีเพะเบียดเบียนเนี่ยนะถูกความเกิดและความดับเนี่ยเบียดเบียนกระแทกกระทันอยู่ตลอดเวลาเลยอนาตตาเนี่ยไม่มีสาระเลยไม่มีสาระของความงาม น, นี่นัเลยไม่มีสาระของความสุขของความเที่ยมของความเป็นตัวเป็นตนนี่นั่นเลยแล้วก็คอนโทรลบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆริงโอ้กระแสของขันท่าอายตนะเป็นอย่างนี้อัตถะก็ปรากฏชัดขึ้นเพ่งไงตามจำแล้วเนี่ยตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดได้ดีด้วยทิฏฐิลึมาทิฏี่เลย ไม่ได้แ ท, ง ต, ท, นะแทงตลอดด้วยมิจฉาทิฏฐินะแทงตลอดด้วยสัมมาทิฏฐิเลยอัฏฐานนี่ก็ปรากฏชัดเลยไงเนี่ยอันนี้จะใช่แต่ถ้ามองเลอยๆก็ไม่เที่ยงแต่ยังมงุ่งมั่งซึมๆเนี่ยนะไอ้ไม่เที่ยงอก็ทุกคนก็บอกไม่เที่ยงแล้วก็รู้แล้วไปฟังทำมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งนะก็เข้าใจาถ้าท่านจะพูดทีนี้จะต้องลงแบบเนี้ยคือพระเจ้าเวลาจะแสดงสูตรนี้จบอย่างเนี้ยเราจําได้หมดนะอัฏฐามไม่ปรากฏนั่นจะแปลกใจนะเหมือน แต่ก่อนนีอน่อันมาว่ายมท่านนึงเด๋ยว้งโกรธหรือเปล่าไม่รู้เห็นนักบวชทีนะอันมาบอกว่าก็เดี๋ยวที่ไม่เห็นหน้ามาฟังดังก็คงน่าจะโกรธคือจริงๆต้องการออกมาวงบอกว่าก็สีสันใช่ไหมก็คือประดุดังเขียงรับมีดเลยคือมันไม่รู้สึกโกรธยังไงโกรธยังไงมันก็ไม่แทงตลอดทักที ก็อดุดังเหมือนเหมือนก็ใช้ไม้ไ व ตัวเองเลยเพราะจริงๆมันเขียนมันโกนมากี่ครั้งแล้วได้อะไรกับเขาสักมัคเนื้มานั่งโกนถากหัวเล่นอะไรบอย่ตากหัวเล่นเนี่ไปวันวันวันวเนี่ยมาไม่ได้เถ่อนกวนก็ก็หายไปเลยที่มาว่าเออเห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยวัตถุประสงค์คือต้องการให้เห็นว่านี่เราประมาทึันมากแล้วนะต้องการต้องการเห็น ตรงนี้ท่านก็ยืนยันของท่านว่าว่าเมือ่อแม้พิกษสุกล่าวตูอย่างอย่างนั้นก็ยังยึดถือทิฏฐิเห็นตบบนั้นอยู่ด้วยความยึดมั่นอย่างเดิมซ้ำแล้วยังกล่าว ย, ยืนยันว่าผมกล่าวอย่างนั้นจริงอาวุโสทั้งหลายผมรู้ ร, รู้ถึงทำที่ว่าผู้มีภาคเจ้าทรงสดแสดงแล้วโดยประการที่ตรัตทำเหล่าใดทำเหล่านี้เป็นธรรมทำอันตรายทำเหล่านั้นไม่อาจทำอันตรายแก่ผู้ท่องเสพได้จริงเนี่ยนะท่านยังยืนยันท่านอย่างนี้ เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่อาจจะเปื่องอนุตตภิกขุผู้เกิดในตระกูลทานแลเนี่ยให้ออกจากมิจฉาทิฏฐิที่เซลที่เร็วซ้ำได้ก็พากันไปเฝ้าพระบรมสารสดาทุนเรื่องนั้นเองทราบลามดับนั้นพระูพภาธเจ้าประสังให้ประชุมภิกษุสงฆ์นี่ประชุมภิกษุเลยนะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องมิจฉาทิฏฐิเนี่ยที่ปังนั่นในกระแสขันธะอนยตนาของพระเนี่ยในปัจเหตุนั้นเป็นข้ามูล เพราะเหตุที่เกิดนั้นแล้วประสงค์สอบถามอริ t h าภิกขูผู้เกิดในตระกูลพาแล้งว่าดูก่อนอริ tha ขาวว่าเธอมีทิฏฐิสามทิฏฐิอัลลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระสงฆ์แสดงแล้วโดยประการที่ตรัสว่าธรรมเราใดว่าธรรมเหล่านี้เป็นธรรมธรรมอันตรายธรรมเหล่านั้นหาอาจทําอันตรายแก่ผู้ซ่งเสรศษได้จริงหรือท่านเห็นว่าไม่ว่าพระพุทธเจ้าว่าจะถาคตกล่าวว่าธรรมเหล่านด้จะทําอันตรายแต่ ทำเหล่านั้นไม่สามารถจะเป็นอันตรายท่านยืนยันได้อย่างนี้ใช่ไหมอนาติตาพิสุก็กราบถึงว่าเป็นอย่างนั้นจริงพระพุทธเจ้าค่าเอาเละนี่ตัวหน้าประพักเลยเนะี้ยไม่ถอนอีกไม่ถอนนมยาที่ถีในใจอีกยืนยันว่าตัวเองเข้าใจสแสดงว่าท่านไปคิดมานานมากเขายัยไหมเวลาท่านพิจารณาท่านไปทดสอบตัวเองเลยถ้ามองอย่างเนี้ยไปทดสอบแล้วกิเลสไม่เกิดใช่ไหมไปทดสอบแล้วกิเลสไม่เกิดก็ไม่ต่างกันเลยเนี้ยใช่ไหม ให้สัมผัสเนี่ยไม่ต่านกันเลยเนี่ยที่ไม่เป็นนักตึกมากเลยเนี่ยเป็นนักคิดด้วยแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่ไปคิดเหมือนลหลายๆท่านเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่นั่งคิดนั่งวิจัยอะไรเนี่ยเข้าใจเยอะเนี่ยทีนี้อริสตากิสุปกระทูลว่าเป็นจริงก็รับสั่งบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกข้าแต่ข้าพระเจ้ารู้ทั่วถึงทำที่พระองค์ทรงสรแสดงแล้วโดยประการที่ตัดว่าทำเราได้ทำมันตรายได้อย่างไร ถ้าวันนั้นหาอาจทำลายแกผู้ซ่องเสพไดจริงหรือไม่พราะจ้ากระจากจะดูก่อนโมคาบุรุเอาอะไรตัวนี้โมคาบุรุษที่แปลว่าอะไรเนี่ยไ ม, ไม่มีจักมากเลยไม่มีคุณธรรมอะไรเลยถ้าตาย่างเนี้แปลว่าว่างเปล่าเลยเนี่ยว่างเปล่าจากคุณธรรมัต่างแล้วบอกว่าเพราะเหตุไรเธอจึงเข้าใจธรรมที่เราแสดงอย่างนี้เล่าทำมันทำอันตรายเรากล่าวโดยปริยายเป็นนั้นมากไม่ใช่ ไม่ใช่กล่าวอย่างเดียวนะโดยทําปริยายเปน็นอันมากไม่ใช่หรือทำเหล่านั้นอาจทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงทำทั้งหลายเรากล่าวว่ามีความการทั้งหลายเรากล่าวว่ามีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความขับแค้นมากโทษของการทั้งหลายนี้มากยิ่งนักการทั้งหลายเรากล่าวว่าเปรียบเส ม, มือนร่างกระดูกเปรียบการทั้งหลายเปรียบเส ม, มือนชิ้นเนื้อการทั้งหลายเปรียบเส ม, มือนคบหญ้าคบเพิงเนี่นะ การทั้งหลายเปรียบเสมือนหลุมทานเพิงการทั้งหลายเปรียบเสมือนความฝันการทั้งหลายเปรียบเสมือนของยืมเข้ามาการทั้งหลายเปรียบเสมือนผลไม้การทั้งหลายเปรียบเสมือนเขียงสําหรับสัตว์เนื้อการทั้งหลายเปรียบเสมือนหอกเหลาการทั้งหลายเปรียบเสมือนศีรษงูเห่ามีทุกมากมีความกระแพนมากโทษของการนี้มีมากยิ่งนักเมื่อเป็นเช่นนี้เธอชื่อว่ากล่าวเราด้วยชื่อว่ากล่าวเราด้วย ด้วยทิศทีที่ตนยึดถือไว้อย่างผิดผิดเชื่อว่าทําลายตนเองด้วยเอาละทีทําลายขันทา่าอายตนาของตอนเองด้วยทําลายรูปปัถานเวทนาสัญญาสังขารมิญญาข้งตนด้วยนี่เขาเรียกทำลายตนเองเนอะและชื่อว่าจะประสบบาปไม่ใช่บุญไป น, นัันมากเพราะข้อนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อผลไม่เป็นไปไม่เป็นไว้เพื่อประโยชน์เพื่อกูลแต่เป็นไปเพื่อผล จะประสบชาติทุกข์ชราทุกขมรณะทุกโสกาตุดีเดวะทุกกระทบมรณะอุปายาตแก่เธอตลอดกาลนานพูดอย่างนี้นะการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเลื่อมใส ย, ยิ่งของชุมชนที่เขาเลื่อมใส ย, ยิ่งดูก่อนพิกษัทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกศีรษาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้เอาเลยประกาศศีรษาบท ภิกษุได้กล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วนี่บัญญาติสิกขาบนเลยโดยประการที่ตัดว่าเป็นธรรมที่ทําอันตรายได้อย่างไรธรรมเหล่านั้นหาอาจทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงมไหมภิกษุนั้นทัานบอกให้ผมกล่าวว่าท่านอย่าได้พูดอย่างนั้นท่านอย่าได้กล่าวตู่อย่างนี้ถ้าพุทธมีภิกษุไปไปกล่าวนะบอกว่าอย่ากล่าวอางนะ ว่าพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวอย่างนี้การกล่าวนี้ที่ป็นชื่อว่าการกล่าวตูพุทธเจ้าการกล่าวตูพุทธพจน์เพระบรมศาสดาไม่ไตัดอย่างนี้ทํากล่าวท่านไม่ดีเลยเนี่ยนะพุทธเจ้าไม่ได้ตัดอย่างนั้นเลยเนะี่ยท่านพระพุทธพระเจ้าตรัสทําอันตรายไว้โดยโดยปริยายเป็นอ น, นมากก็ทําเหล่านั้นอาจทําอันตรายแก่ผู้ซ่องเสพได้จริงและพิกโซทั้งหลายก็กล่าวอยู่อย่างนั้นขืนขืนถืออยู่อย่างนั้นพิกโซเหล่านั้นก็สวดประกาศห้ามผลที่สครั้งที่1ครั้งที่สอง ทั้งที่สามนี่เนีถ้าถูกสวดประกาศอยู่เนี่ยผนที่สามสละการนั้นเสียได้การสละนั้นเป็นงานดีคือสละทิธีได้ถ้าประกาศครั้งที่หนึ่งแล้วบอกครั้งที่หนึ่งแล้วประกาศครั้งที่สองแล้วเนีเริ่มจะประกาศครั้งที่ลถ้าประกาศครั้งที่สามนสละโอกคข้าไปเยี่ยสละทิธีแล้วไม่เป็นแต่ถ้าไม่สละเป็นอาบัติปฏิจิติแปลว่าอะไรขวาง แสดงก็ไม่ตกสมมุติมาแสดงระบาดตัหน้าพิชิตไม่ตกแล้วเพราะอะไรเพราะไม่สลากความเห็นงั้นการจ ะ, สระแสดงตัวนี้ต้องสลากความเห็นทิ้งไปก่อนก็จะถามว่าความเห็นของท่านสลาทิ้งหรือยังที่ท่านประกาศว่าท่านรู้ตัวถึงท่านก็ถึงธรรมมุติยาบอกไม่สลากเนี่ยไม่สลาแสดงไม่ได้ไม่สลาก็สแสดงไม่ได้แล้วก็เป็นหลักตอของว่ตายไปก็เรียบร้อยเลยนี่ นี่เขาเรียกว่าในส่วนจริงท่านก็ไม่สลับและทุกวันนี้ท่านเสียหายเล้วนี่อริธาพิคูเสียหายเลยทําไมท่านถึงไม่สลับอ่ะอะไรเป็นปัจจัยทํำให้ท่านไม่สลับเพราะท่านเข้าใจว่าท่านเข้าใจเมื่อคนถ้าเขาเสพอย่างนั้นมาตั้งแต่แทบจะ ท, จบทั้งชีวิตเนี่ยถ้าเขาถือว่าเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อย ให้ความเห็นทั้งหลายที่มันไม่ถูกทั้งหลายเนี่ยหลายหายคนก็กอดไว้แน่นและความเห็นเนี่ยมันก็ฆ่าตัวเองนั่นแหละมันเป็นขุยไัยมันทาลายกอภัยแล้วก็ไม่ยอมเลิกไม่ยอมละไม่ยอมที่จะสมาทานทิ้งนี่มันก็ฆ่าตัวเองถ้าถามว่าคนเดือดร้อนก็ทนเองถามว่าเชื่อไหมคนเห็นแบบนี้มีจริงๆแม้ทุกวันนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีไอ้คนเห็นแบบเนี้ยคนเข้าใจอย่างเนี้ย ที่ยังยกตัวอย่างว่าสการาพามแกก็รู้ว่าแกจะต้องไปเกิดเกิดเป็นลิงแต่แกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นลิงแกก็เป็นหมือนกันต้องเห็นจะตา่างเลยเนี่ยไอลักษณะนี้เราจะทํำยังไงอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงมันเห็นเห็นอย่างนี้แล้วไม่ถอนนะ่ะเพราะเขาเขายืดมั่นแล้วแหละว่าเขาเขาเข้าใจเราอยู่ขนาดเพื่อน ทีนี้พวกชนที่ชื่อว่าพานแรงเพาะอาจจะว่าได้ฆ่าแล้งทั้งหลายอริธากราอริธะชื่อว่าผู้เคยเป็นพานแล้งเพราอาจจะว่าท่านมีบรรพบุรุษเป็นพานแล้งเป็นบุตรตกูลของพานแล้งเกิดในตระกูลของพานแรง้น ง, นแรงนะนี่นะดูประวัติท่านนิดนะึงนี่บระวัท่านเป็นอย่างนั้นทีนี้ในร า, ายละเอียดตรงนี้ก็คือว่าทำที่ทําอันตรายแก่สวรรค์มรรคผลและอ น, นิพพานในะดูตรงนี้นะว่าทําอะไรเป็นอันตรายต่อสวรรค์ทําอะไรที่เป็นอันตรายต่อมรรคผล ทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อพระนิพพานอันตรายนะั้นมีอยู่5อย่างเขาเรียกอันตรา ย, ยิ่งกระทําที่ทําอันตรายเนะี่ยมีอยู่5ประการเนาะใน5ประการนี้ก็คือว่าก็คือด้วยหน้าแห่งกรรม1เนียกรรมสองกิเลสสาวิบาศ 4. อุปวาทะอุปวาทะนี่คือเกินให้ร้ายพระดิยาห้า อานาวีติกามะอานาวิติกามะก็คือการล่วงศิขาบทล่วงละเมิดศิขาบทที่พระ อ, องค์ทรงบัญญัติไว้ใน5ประการนี้ชื่อว่าอันตรายิกระทำทำที่ทําอันตรายนี่นะกรรมเนี่ยกรรมในที่นั้นคือพิกุนีทูสกรรมะคาว่าพิกุณีทูสกรรมะก็แปลว่าปฏิทุสลายนาะภิกษุณีในที่นี้ท่านมาเรแปลไว้นะก็คือการปฏิทุสลายนาะก็อย่างนั้นถ้ามานพเนี่ย นันทานต์นั้นาา น, น่นนะปะทุศร้ายก็คือไปประพฤติข่มคืนงางอุบลวรรณนี้เทลิงอันนี้เขาเรียกปทุศร้ายพิกุนี้อันนี้ก็หมดเสร็จเลยอันนี้เป็นอันตรายเลยพิกุนี้ทศกามไม่ย่อมทําอันตรายแก่โมกษาท่านนั้นไม่ได้ทําไม่ไม่สามารถจะทําอันตรายแกสวรรค์ก็คือไม่ ทำคือเนิยตรรมวิฉาทิฏฐิกรรมนะอเหตุกาทิฏฐินาติกาทิฏฐิแล้วก็อคติยาทิฏฐินี่นะอันเป็นอันตรายคือพวกมิฉาทิฏฐินี่นะพวกนี้ห้หามห้ามทั้งสวรรค์ด้วยนะพวกนี้นะกิเลสก็คือปฏิสนี่พวกบันดอดดิราชานุปัตโตภยันชนะนี่นะอันตรายยิ่กระทำคือวิบากการเข้าไปว่าร้ายพระญาติเจ้า อันตรายยิกระมก็คืออุปวัตและก็อุปวานันทเรยกรรมต่างๆเนี้ยนะเป็นอันตรายตลอดที่ยังไม่ได้ยังไม่ให้พริญานั้นอดโทษให้หมายความว่าไปปิดทุตต라이พระดิยะท่านเนี่ยไปให้ร้ายพาริยะท่านเนี่ยต้องไปขอโทษต้องไปขออดโทษท่านต่อมาคืออบัตอบัตทั้ง7กองเลยเริ่มตั้งแต่ปราชิกไปจนถึงทุกข์กอดเนี่ยนะนี่เป็นนาวีติกรมะ อาบัตเหนั้นเป็นอันตรายต่อเมื่อพิกษูยังปฏิญญาถ้า้าบัตบริติกเนี่ยถ้าไปปฏิญญาเป็นพระอยู่จากใดาก็ไม่สามารถจะบรรลุได้เนี่ยห้ามดูยังไม่ส่นครุกราบัต ท, ที่เหลือลก็มีการแสดงบ้างมีกา ร, กรทําคืนเป็นต้นแล้วมีการอยู่ปริวาสกรรมเปนต้นก็ว่ากันไปในอันตรายที่กระทำตั้งดังที่ได้กล่าวเนี่ยอธิษาภิกษูเนี่ยเป็นพระหูสูญเป็นธรรมกถึก รู้จักอันตรายธรรมที่เหลือได้แต่เพราะไม่ฉลาดในวินัยจึงไม่รู้อันตรายอันตรายที่กระทำด้วยการล่วงละเมิดศีรษะบทใช่ไหมท่านไม่รู้ว่าว่าล่วงละเมิดศีรษะบทตรงเนี้ยว่าจะขวางกั้นท่านเน่ยเพราะฉะนั้นเธอไปอยู่ในที่รับได้คิดอย่างนี้ว่าบุคคลคลองเรือนก็บริโภทธกามาคุณนะเช่นรูปใช่ไหมนางวิสาขาอนาถปินิกาเศรษฐีพระเจ้าพิพิสัยเบนเทิลอะไนี้โอ้ีโลกมีหลานเยอะ เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมเออเป็นปัะสกทาคามีเป็นพ้านนาคามีแม้พิกษสูทั้งหลายก็เห็นลูกที่ชอบใจกระพึงใช่ไหมทางจักษุเป็นต้นหรือว่าสามารถที่จะยินดีในลูกในเสียงในกลิ่นในรสในผลทพัชเป็นต้นได้แล้วไปยินดีไปเพิดเพลินอะไรต่างๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมก็คารวเหล่านี้ก็ยังยินดีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหล่อนี่ยนะแล้วก็ยังบอกผมว่า บริโภคเครื่องนึ่งโฮมเป็นต้นอ่อนนุ่มข้อนั้นควรทุกอย่างเพราะเหตุหลายรูปสตรีทั้งหลายเป็นต้นรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ของสตรีทั้งหลายจึงไม่จึงทงั้งๆที่ไม่ควรนีะไม่ควรอย่างยิ่งเนี่ยท่านก็เห็นว่ามันควรเธอเทียบรสกับการ บ, บ, บ, บ, บริโภคกามคุณที่เทียบกับรสกับการบริโภคปัจจัยอันไม่มีโทษอย่างนี้แล้วการบริโภคกามคุณที่เป็นไปด้วยฉันตราคะและการบริโภคที่ไม่มีฉันตราคะให้เป็นอันเดียวกัน คือคารวาที่เขาเป็นประโสดาบันทั้งหลายเป็นต้นเหล่านะั้นน่ยเขาบริโภคกับจิงแต่สิ่งต่างๆนั้นเขาระการมไกรมราคะการมฉันท่าได้อย่างไงท่านก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะทิศฐีอัลลามกได้เกิดขึ้นดูดบุคคลนะ่ยต่อได้ละเอียดยิ่งกับเส้นปออันหยาบมันคนละเรื่องกันเลยใช่ไหมเอาเส้นปอที่หยาบเอาเส้นด้ที่ละเอียดมาต่อกันเนี่ย มันคนละเรื่องกันเลยนะมันเป็นเส้นเหมือนกันมันเป็นเหมือนได้เหมือนกันแต่อันนี้เหมือนปอที่หยาบแต่อันนี้นเป็นของละเอียดก็เหมือนกันก็คือบอกว่าคําสอนของพระเจ้าคือพระวินัยที่ทรงบัญญัติให้กับพุทธิย่าให้กับสาวกของพระองค์ปฏิพุริปฏิบัติเนี่ยเหมือนกับเส้นได้เงี้ยกามาคุณทั้งหลายนะเหมือนกับปอที่หยาบหย า, ยาเนี่ยนะเอามาต่อกันเงี้ยหรือเอาภวกเขาสินเนื้อไปเทียกบกับมเมล็ดพันุประกาศเนี่ยเทียบเนี้ยฉะนั้นจึงขัดแย้งสรรพยุติยานว่า เนี่ยการกระทำของท่านการเห็นของท่านมันขัดแย้งต่อสัพพยุตยานของพระบรมศาสดาดูตอาเขาทินีรูปไปเทียบกับเมล็ดพันธุ์พะกับแล้วก็ขัดแย้งกับพยุติกสัพพยุตยานเชไหนพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติปฐมบาลฉิกด้วยความอุตสาหา ม, มากท่านเห็นอย่างนั้นนะท่านบอกโอ้โหการเกี่ยวข้องอันนี้เรืการมาคุณไม่เห็นต้องบัญญัติสิกขาบทขนาดนั้นเลยเพราะคนที่เป็นคารวาทั้งหลายเป็นวสุวดาบันก็ยัง ใช่ไหมบริภคกอมาคุณอยู่ยังเกี่ยวข้องกรมาคุณอยู่เออพระเจ้าไม่น่าจะหนัดเหนื่อยในการที่จะต้องมาบรรยายสิกขาบทข้อนี้เลยโอ้โหพูดนี้กระทบเลยใช่ไหมเนี่ยนี่หนักมากเลยเนี่ยกระทบสถา บ, บัยานยุตยาเลยพระเจ้ญญาว่าบรรยายประทมประรักชิกโดยอุตสาห์ดุดทรงกั้นมหาสมุทรโทษในการนี้ไม่มีดังเนี้ยตัดความหวังของพวกพระผบุคคลได้ให้ประหารแนนาจัก คือปฐมประชิกสิกขาบทของพระห่งพระชินนาจ้าอริษฐกาภิสูจเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้ทําเสียหายแล้วตัวนี้เขาเรียกหักชินาจาักรก็เหมือนบอกว่าสมมุติว่าเราจะไปทําลายคําสอนพระเจา้าสักหนึ่งสิกขาบทใช่ไห ม, ไหมอันนี้เขาจะหักชินาจาักของพระเจา้าเลยคือพระเจา้าบัญญัติสิกขาบทเขาไว้ปุ๊บแล้วก็อุย้ยสมัยนี้ใช่ไหม สมัยนี้มันยุคไหนแล้วมั น, ม, นมันใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้ความคิดคนตัวเดียหักชินจักของพระเจ้าเลยคือพระเจ้าเนี่ยท่านมีสัพพยุตยานมีอนาคตังสานมีอติตังสดัาอย่างอนาคตังสยานใช่ไหมจ๊ะพระองค์รู้อนาคตพระองค์บัญญัติเนี่ยไม่ใช่บัญญัติในปัจจุบันนั่นอย่างเดียวไม่อนาคตพระองค์ก็บัญญัติเผยแผ่ะวะ่าแต่เราเนี่ยคิดด้วยจิตทิรามก เราก็บอกไปทอนออกเสอันนี้ยไม่เหมาะแล้วในยุคนี้ต้องต้องถอนสีขาบททตรงนี้ออกไปเพราะมันปฏิบัติกันไม่ได้แล้วนี่ก็เลยกลายเป็นโทษเลยนเยข้าใจใไหมเนี่ยมันถอนใน้ิม่ขาดทิฏฐิทีนี้ก็แย่งกับดังที่ได้กล่าวทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทั้งหลายเปรียบเสมือนโคงกระดูกอาจจะว่ามีความยินดีน้อยเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเพราะอาจจะว่าเป็นของทั่วไปรรกษัตริย์เป็นอันมากก็เป็นเหมือนกับพบยากเพราะอาจจะว่าเผารน้น บัดนี้นี่แล้วกเผาต่อไปเหมือนกะระหล่ำฐานเพลิง mm. ว่าะทวเราร้อนยิ่งนัก mm. เปรียบเสมือนความฝันเพราะทว่าปรากฏชั่วเวลาเพียงนิดหน่อย mm. เปรียบเสมือนของยืมก็ามา mm. ก็เรียกของชั่วคราวเห mm. มือนผลไม้ก็คือทําลายไว้ว่าน้อยใหญ่ทั้งพวงใช่ไหมถามว่ามีอวัยวะชิ้นไหนบ้างที่ไม่ถูกทําลายก็เหมือนผลไม้เกิดขึ้นมาแล้วผลไม้ทําลายตัวมันเองไหมถ้ามีคนทําลายก็ทําลายตัวมันเองหรือไม่อย่างนั้นก็เป็นอาหารของบุคคลอื่นใช่ไม่ใช่ หรือปล่อยทิ้งเขาไว้กนเหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเบียดในกระดูกเนี่ยเราไปดูแต่ละชิ้นนี่เป็นผลไม้ไหมเนี่ยเป็นผลไม้มีคนก็อยากได้ก็เยอะทีไรเข้าแย่งกันเอาแย่งกันยังไงก็ทํากรรมเพื่อต้องการจะได้ผมขนเล็บฟันหนังไงใช่ไหมแ็่ฟาร์กก็กรักษาตอนนี้รักษาผลไม้กันรักษากันใหญ่เลยนี่กลัวจะล่วงมันกลัวล่วงเอามาตอไหมล่วงยังมาต่อไหมเลยต่อ เออมื่เดี <gli ete. S 2> <ram zeń> ๋ยวนี้หมอเขาเก่งผลไม้ร่วงแล้วก็ต่อได้เพราะมีการเตาต่อพันธุกรรมได้ด้วยใช่ไหมนี่กลางตอนกลางอ๋อผลผลไม้มันใช่ไหมคล้ายๆว่ามันหมดอายุแล้วนะมันเปลี่ยนสีแล้วมันจะร่วงอยู่แล้วกลายเป็นสีขาวแล้วออกสีขาวที่ตองแล้วนีบางคนยังบอกว่าสวยดีจังว่าไง คัอพูดแค่เป็นดีใจจากสีดำกลายเป็นสีขาวมันขาวหมดหัวแล้วก็วเลยว่าสวยดีมลยกลายเป็นโงสวยทีไหนได้ผลไม้มันจะร่วงคูดผลไมนจริงเนะจะหนาวโหหมดอายุหมดลมมเลยผลมไลม้ใกล้หมดอายให้ปุ๋ยยังไงก็ไม่ยอมกินปุ๋ยเลยเนย้าตั้งมั้งอีควิตามินอะไรก็ไม่รู้ใส่เข้าไปาย่างใส่เข้าไบ่มหลงเข้าไ ป, าไปเอาไม่อยู่ นายเข้นายเข้ก็โอ้ของยืมก็มาแท้ๆเรียกว่ามันหมดของของทั้งหมดอายุเนี่มันบางทีมันก็ยังไม่ทันหมดอายุใช่ไหมมันก็ถูกแย่งไปก่อนถูกพ่ากไปก่อนก็เสียดายอยู่พักคนนี้อยู่เสียดายกันอยู่พักเดียวกคนนั้นเชี่ยเลยครับลองสังเกตดูโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าร่วมเลยนายเข้านายเข้ก็ไปยึดผลไม้ตรงใช่ไหมเขาไปยึดกันใหม่ บางทีก็ เ, เอาเอารูปกิดไว้หน่อยแต่ น, นี่ยาติีพ่อเนปู่น่อันนี้เป็นไงจริงๆแล้วแล้ว เ, เ, เขายุคข้างหลังก็ลืมแล้วเขาถามให้ถามหลายคนนนี่นี่รูกใครเนี่ยญาติผมนี่เลยผมจาไม่ได้จาไม่ได้จะ oh <my> ว่าไงเฮ้ยนามแต่คนเดียวกันเนี่ยไม่จา ไ, ได้ไม่รู้เป็นโง่เป็นอะไรก็ไม่รู้ปราณนั้นนะจำไม่ได้เลยประาั้นเขาลืมหมดแล้ว ใครมัจะจำไม่เม no ื่อที่จะไปเก็บไว้บอกก็กิงไงหมดว่ายังไงพวกเองก็ลืมเราอยู่แล้วมนที้้มมีมีหลวงตาองค์ที่ว่าคนจะนับถือเยอะเขาถามบอกว่าตายแล้วยให้เอากระดูกเก็บไว้บอกบอกเอาไปทิ้งให้หมดามเดีวก็เดี๋ยวพอพวกมึงตายหมดแล้วกูก็กลายเป็นผีไม่มีญาติก แกจะพูดคำว่า ก, กูมึงมาฟังไหมแกบอกแต่เดี๋ยวพเดี๋ยวพวกมึงตายกันหมดแล้วกูก็กลายเป็นผีไม่มีญาติมึงแกกลัวแกกลักกวไม่มีญาติเสร็จหมแล้วก็คือโคตรไหมพอรูรจแได้มันจิงมันเป็นอย่างนี้ก็คือมันจะให้ใครมานั่งจายยําเราไม้มีแล้วตั้งระดับพุทธเจ้าไ้ยระดับพุทธเจ้าไม่มีถ้าต้องการให้คนจําอย่างถาวรเนี่ยต้องเป็นพุทธเจ้า แต่แต่ก็มีลืมนะพราถ้าไปหลายแสนองค์อีกในนาโคจยเขาก็ได้แต่คานึงคนวนวํานวณไว้หลายแสนองค์ไว้แค่นั้นเองต้องไปอยู่ในระดับประมาณชดยี่สิบแปดองค์ก็ยังพอจะจําชื่อได้ใช่ไหมเออประมาณนั้นอะไรยังจะพอจํากันได้แล้วเหลือประวัติเริ่มน้อยลงนะเริ่มน้อยลงเลยแหละตันหังกรเมยทังกรสะตนังกรเนี่ยทีบางกรเนี่ยอห้ยังพอจําได้ แล้วก็ยังลงบันทึกถ้าบันทึกไว้ทั้งหมดก็ยิ่งอายุของศาสตร์เป็นเหลือน้อยมัวศึกษาประวัติก็ไม่ได้ก็อาศัยประวัติของพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยสืบคนกนะันนะแทบจะไม่ต่างกันอย่างไรอะไรอย่เงี้ยก็สืบค้นกันอย่างนั้นเพราะว่าจําไม่หมดนั่นในสังสารวัฏในโลกใบเนี้ยมีผู้ยิ่งใหญ่มาเกิดไม่รู้เท่าไร่แล้วแต่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้เยอะแยะหมดฉะนั้นแต่ปราถนาจะมีชื่อจารึกจริงๆก็เป็นพระเจ้าเลย เฮ้ยต้องได้คนสัตว์หรือสัตว์เลยตั้งสัมมาสัมโพธิญาณลงสู่กระแสขันทารายะชนะเลยแล้วก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ก็เป็นปรัมีสิบอุปปรมีสิบ ป, ปรัมภะตาป ร, รัมมีสิ บ, บ, ร บ, รรสบเอาจริงเอาจังไปเลยเอาเาคิดอยู่ที่เลี้ยวแรงอย่างเราพอไหวไหมพอไหวก็ปลูกเข้าอะไรเลยเข้าไปก็ตั้งจิติฐานเอาเลยใช่ไหมทําไหวไหมก็ไปตั้งลงทานเลยเราจะทําแล้วตรงนี้นะตั้งจิตอธิฐานเลย เอาพระมนเป็นสักขีพยานบอกมีมณ ส, สักหมื่นลกูกเป็นประถงตาเอาทําได้ยังไงจะไม่ไ ด, ได้ใช่ไหมตั้งกระแจกจิตเลยเงียใช่ไหมเอาสักหมื่นลูกในยุคนี้เรอจจะไม่พูดก็ได้ใช่ไหม ต, ตั้งในใจใครจะไปรู้ล่ะอย่างนี้ น, น, น, น, นี่นีแนะหนึ่งวิธีจะหลายอีกวิธีเยอะแยะใช่ไมใช่ไห ม, มจริงๆมนุษย์มีศักยภาพจะทําได้ไหยได้ ตราฐานได้แต่ต้องศึกษาข้อมูลนะอย่าไปปรารถนาแบบไมไ่มีข้อมูลนะอ่านให้เยอะๆศึกษาเยอะฟังก็ทำเยอะพอรู้ข้อมูลไสร็จเขร็อเอาแ ล, แล้วเราจะประกาศใช่ไหมเราจะเดินตามร่องลอยของพระผู้มีพระภาคเจ้าแนละ้วแล้วนี่แหละจะเดินเคยเดินมีผิดพลา ด, ด, ดมาแต่ตอนเนี้ยสมมาทิีิบังเกิดแล้วก็เดินเลยอนยะ่างงี้ยเหมือนเด้นตามวิธีคิดอย่างเงี้ยถ้าใครทำอะไรบอกได้จะได้ไปปรับเนื้อปากตัวนะ น, นี่พูดพูดให้คิดใช่ไหมให้มานัสิการให้ไข้ควรแต่ว่าตรงเนี้ยให้ชี้อีกจุดหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของกรรมทั้งหลายนั้นที่จริงดาถามอบว่าในบรรดากลุ่มบกพรอยสัต์ทั้งหลา ย, ย, าาาาาลายเขาเห็นท่านเห็นโทษของกรรมไหมเห็นไหมเปี่ยงเป็นโครงกระดูกเนี่ยถ้าถามว่าโครงกระดูกเนี่ยให้ความยินดีมากหรือความยินดีน้อะถ้าเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะเป็นโครงกระดูกซะแล้วเนี่ยโอ้โหใช่ไหม นั่นจะไปยินดีอะไรอ่ะถ้าเราเห็นบ้านเป็นโครงกระดูกถ้าเห็นรถเป็นโครงกระดูกถ้ามีใครจะไปยินดีโครงกระดูกอ่าเราไปดูดิเอ๊ะพระท่านก็บอกว่าพระเจ้าบอกเป็นโครงกระดูกมองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นมันเป็นโครงกระดูกใช่ไหมจริงๆเป็นโครงกระดูกเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นชิ้นเนื้อยังไงเป็นไปคือทั่วไปแก่สัตว์ทั่วไปแก่สัตว์มาก ก็ก็หมายความว่าแย่งกันนเนี่ะเป็นคบเพลิงคบญ่ายังไงเผาเดี๋ยวนี้เผาไหมถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจร้อนไหยร้อนแล้วถ้าไปมีตาหูจมูกลิ้นกายใจในี่ยเขจะร้อนอีกไหมอ้าวก็ร้อนนี่มันเผาเขาบอกนี่มันเผามันเผาอย่างนี้หลุมถ่านเพลิงล่ะร้อนยิ่งนักเป็นหลุมถ่านเบลิงมันไม่เผาอย่างเดียวมันร้อนอย่างมากด้วยเหมือนหลุมเถาทางถานเพลิงมันร้อนตลอดเวลาเลย ถามว่าราคาเผาตลอดเวลาไหมมันเหมือนอย่างนี้นะเอเหมือนกับเอาหมอ้อตั้งบนเตาแล้วในนั้นมีน้ำใช่ไหมเป็นน้ํามันหรือเป็นน้ํำในหม้อไปแล้วแก่แต่ข้างล่างมีมไฟแล้วไฟมันก็ลุกพลบมมันร้อนไหมนะฉะนั้นตัวราคาตัวสามโมหานั้นเผาตลอดมันเผารูปเวทนาสัญญาสัญญาปัญญาณเนี่ยนี่เราไม่ยอมยอกหมอออก้อเกี่เตา เนี่ยเราก็มานั่งอยู่ยกลงเสียคือเผาอยู่ทำไม ย, ยกหมอลงมาเดี๋ยวเตาปามันจะเย็นใช่ไหมก็คือเอาราคาโทสะโมหะออกเสียใช่ไหมไอเตาเผาตัวนั้นเนี่ยคือคือราคาโทสะโมหะแล้วก็ชาติชราพญาทีชาติชราพยาที่โสกกาบริเทว่าทุกขจมนะสัตป่ายาเนี่ยไฟสิบอ็ดกองเนี่มันเผามันเป็นหลุม่านเพิงเผายู่นั่นแหละยกม้อลงให้มันเย็นใช่ไหม พอมันเย็นเบ็ดเสร็จแล้วต่อไปไม่มีอะไรเผาแล้วกลับไปไปยกไม่เผาอยู่แล้วมันเผามานานแล้วในสังสารวัฒนเนี่ยกระแสะขันธ่าได้เยอะนะในพุ่นนี่ดูง่ายใช่ไหมแต่ยกยากเหลือเกินไม่อยากยกไม่จะยกองไม่เสดายยังมีเพรู้ถึกวันนอ้ร้อนมันก็มีความสุขดีนะราคาตัวท์มือห้าก็บางคนชอบอยู่กับราคาตัวท์มือห้าถามาภาษาอังกจะราคาเราไม่เกิดเราจะคุยกับคนที่มีราคารู้เรื่องไหมว่าเขายัาง ใช่ไหมถ้าอาสมมติเราเห็นอีกคนนึงโกรธเนี่ยถ้าเราไม่โกรธให้มากกว่าเขาเนี่ยเราก็ข่มเขาไม่ได้อครับโดยทฤษฎีเนี่ยก็ว่าถ้าเขาโกรธน้อยกว่าเนี่ยเราโกรธมากกว่าเราชนะถ้าโกรธพอๆกันก็พอฟัดพเหวี่ยงกันนะพวาโกรธมากกว่าเนี่ยพวกนั้นมันยอมมันยอมเอาดูโดทฤษฎีเนี่ยให้สังเกตดูทีทัประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยก็ถือการโกรธมากกว่านี้สังเกตดูมันน้นมันเฉยเก็ถือการโกรธมากกว่านี่ยกตัวอย่างเช่นว่าเอาเขา เขาประเภทที่ประเภทงงหัวจะสู้หรือตุ้มๆๆๆเลยนี่เขาใช้โกรธมากกว่าคมเขาไวมันก็โอ้มีกล้าหมอเลยก็จะไม่จะสร้างนั่นขึ้นมาไม่ได้จัดการนี่ก็จัดการกลเลยเขาใช้ทฤษฎีงานโกรธมากกว่าให้คนโกรธน้อยกว่าก็สู้ไม่นด้คือเขาเรียกว่าใจถึงกว่าขเขาแรกใจกันน่ะประเภทนีน้คือใช้โทรศทัพทได้แหละการตัดสินเนะนี่ยแม้การฆ่าบางอย่างไม่ใช่โทรศัพทตัดสิน ใช่ไหมเอาที่คุณท่มคุณเสนอราคาเนี้ยเราเสนอตุมต้มตุม้มตุมเลยนะเสนอด้วยความโกรธนะนี่นแหละเขาได้โกรธ ม, ม, ม, มากกว่าโอไม่ไหวเลยจ่ายเป็นถึงก่อนหรอก็ภาพเสื่อจะกลับไปเขาใหญ่มาเนี่ยเขใช้ทฤษฎีโกรธมากกว่าอชนะอนตอนยกคอมนิดเนี่ยขอขอผายพวอย่างโอกใช่ไหมให้สังเกตดูทีเอาที่นักษาประตวงี้ไหมประตูงปิดเลยเจตุรัสเลยเทียนนั่นเหมือนกนะันเจตุลัดใช่ไหมปิดไประใส่ก๊อรถถังวิ่งเหยียบเลยเนี้ยเนี่ยใช้โกรธมากกว่า ปิดทีวีทุกช่องแล้ววิ่งเหยียบเลยเนี่ยนี่ก็ใช้อย่างนี้โอ้โหนี่ไม่ได้แล้วเขาไม่กล้าเลยนี่ก็งห a g กันเลยนี่ไม่กล้าเลยเนี่ยทฤษฎีนี่ใครทําบาปมากกว่าเขาก็ยกย่องมันอันนี้ไม่ใช่ทางาศาสนาไม่ได้ถือทฤษฎีนะ้อันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อการละที่นี้ชาวโลกทั้งหลายก็มาเรียนแบบลูกธรมท่าจะขึ้นเสียงเลยทําเสียงดังๆกว่าับ ลูกก็งอลงไม่ได้แล้เราแม่เสียงดังกว่าพ่อเสียงดังกว่าใช่ไหมพ่อตีได้อ่ะแต่เราตีพ่อตีแม่ไม่ได้ยังไงก็ยอมดีเดี๋ก็หมายตาไว้อย่างนั้นแหละเดี๋ยเดี๋ยวโตวขึ้นก็นจะตีลูกให้หนักกว่านี้ติดใช่ไหมไหมอ้เ น, นี้ยปู่ย่าตายายถึงตา ม, มองก็แหลงมากทำก็แหลงมากเดี๋ยวต่อแล้วก็จะเล่นกับลูกหลานมันก็ทฤษฎีอย่างเงี้ยไม่ใช่ในความสอะไรอันเนี้ยสิ่งเราแยกมาทำมาเนี้ ตอนเธอไก่อนสอนเนียกะตีเนยียเนยี่ยกะตีเนียนเราใช้โกรธมากกว่าเนี่ยนก็ยอมเดียนยังไม่มีอะไรมาหาเรากตีนี่ทฤษฎีมันผิททดทฤษฎีเนี่ยมันผิดไม่ถูกแต่มันยังเป็นที่นิยมของคนในยุคปัจจุบันและในอานาคตก็จะนิยมกันดอกแบบ ใช่ไเอาใครเคยทํางานเนะียที่ไม่โกรธแบบเนี้ยอ่ให้ทํางานนั่นที่นั่งๆๆกันอยู่เนี่ยเคยเออกความโกรธนั้นเป็นตัวนําหน้ากันนะแล้วก็ได้ผลกันมาพอสมควรเนนะี่ยได้ผลแต่มันตามมาด้วยการเผารนทุกวันนี่หลายๆคนก็มานั่งซ่อมนั่งซ่อมคือเร่งไฟมาออกไปมันเผาไอ้ไฟก็ามาเผาหูยเห็นไหมนี่ราคาโทรศัพท์เผาเด็กกรลรัที่ทําำ ใครรับก็ทำท่าระยะชนะนี่จะต้องไปรับต้องไปเสวยต้องไปลำ บ, บากต้องไปทรมานใช่ไหมนี่ไงโทษของการมันมีมันมีคุณนิดเดียวได้รับยกย่องโูบงทีก็ให้ตำแหน่งเอาให้มันเป็นหัวนหน้ามีที่เก็ยบางคนก็ให้มีใบประกาศมอบให้กันเนี่ไม่เอาแล้วใบประกาศไม่เอาแล้วใครมาเอาใบาประกาศมาให้ใบประกาศมาให้งอ กลัวมากหรือจะไม่เราหลงผิดดีมิสมัยก่อนก็แต่งตั้งก็เห็นโอภาคนี้มีหน่วยการาเด็กเขียนแต่งตั้งให้เราไปดูโอ แ, นน อ, แ อ, อ, อ, อแต่งตั้งน่าชื่นใจเหลือเกินพอพอเขาพอก็าแต่งตัางปุ๊บเหมือนให้มีตําแห น, นะน่งนั้นตําแหน่งนี้เอาไวเดินรอบวันเลยนะเดินเลยมองโอมองไม่เหมือนไม่เหมือนพระธรรมดามองแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรไว้ล้วอยู่ในใจอ่ะมองไปเป็นไหม มันมันประหลาดประหลา ด, ะาดนะค่อยๆเราไปน ห, หน่วยงานใช่ไหมมันก็เดินโอ้โหดูดูคนอื่นกลายเป็นเล็กน้อยหมดเลยต้วเองเหมือ น, อ น, น, น ม, มีอำนาจมากมายแล้วเต่ามามองใบ ป, ประกาศต่ออย่างถ้าใครขัดแย้งต่อใบประกาศนี้คาสั่งลงไปเลเขียนคําสั่งลงไปเลยนะมีการให้โทษโอ้โหให้คนให้โทษด้วยคนนั้นก็บ้ า, าแตกใช่ไหอพอไปได้รับใบนั้นคือมรก็เดือดร้อนมาก เห็นไหมล่ะเดือดร้อนวิ่งพลาดกัหมดแหละโหเวลามานี่นี่เขาเรียกว่าโทษของกรรมแท้ที่โทษของกรรม น, นี่ก็ตอนนี้ก็ลุกเหมืนผ่านผ่านจุดนั้นมาแล้วใช่ไหมกว่าจะมารู้ว่ารมของเบืเจ้านี่แทบแย่ไหมแทบแย่ยกรรมไปแล้วเท่าไหร่ใช่ไหมก็เอามาเป็นบทเรียนบอกคนอื่นคนอื่นฟัง เขาไม่เป็นหรอกเขาว่านี่ก็ประมาดีกลุ่มเนี้ย ท, ทั้งๆดียวว่าเขาก็าประมาดีนะแต่เขาก็ไปทําอีกเดี๋ยวก็เจ็บปวดมาก็เหมือนนั่งนี่เห็นไหมก็เป็นลักษณะ น, นี้แต่มีบางกลุ่มไม่ยอมบอกป่อปู่พ่อแม่ปู่ย่าตายายบางทีใช่ไหมเขามีลูกมีครอบครัวเนี่ยเขาไม่บอกเรอเขาไม่บอกเขาบอกเออแต่งงานดีมีครอบครัวดีขยันทํามากินก็ดีก็บอกกันอยู่เนี้ยทั้งๆที่มันไม่ถูก ไม่ถูกหรอมันผิดแล้วไปไวพ้พรเนี่มันเกิดผิดแล้วะ ม, มันมันมันเป็นโทษของสังสารละวะ้วัตถาจะไปเขาจะาบอกให้เขามาบอกว่าเออเอย่าประมาทใช่ไหมบอกว่าทุกข์เยอะลำบากมากเนี่ยต่อสู้มาท่านจะไปบอกไหมบอกลำบาก เนี่ยดูป้าดูหน้าดูพอ่อดูแม่เป็นตัวอย่างเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วบุญน้อยไม่น่าเข้ามาติดกับเลยยังไก็ไปพูดอย่างเงี้ยกล้าพูดไหมไมบอกเขาอย่างงั้นต่อไปก็มองหน้าเลยนะเขาจะชื่นเลยกันหนอยพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเชื่อไ้มเขาจะจำคำพูดเราเลยพอไปประสบความรู้เพราะพูดไงเขาก็ไม่ไม่ได้ เขาก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมยก็ไปเตือนเขาบอกว่าถ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วทำไงใช่ไหแต่ว่าเหนื่อยเยอะงานทั้งนั้นใช่ไหมทุกทั้งนั้นเลยนีมันดีกันวันนี้เหรอเดี๋ยวก็ไปขัดแย้งกันนี่ยในข้าในข้าวไปเจอคนละทางสองทางแล้วมันไม่แน่ด้วยเดี๋ยวเชือกมัดติดกันไว้ไม่ตัดเชือกนี้ไม่ไม่อยู่หรอก อย่างเงี้ยอขชี้เเห็นว่าโทษมันอย่างนั้นเดี๋ยวเขามองว่าคุก็ก็ท่านไม่มีท่ก็พูดยุโยงคนอื่นไม่ใช่เพราะฉะนนเดีในหลักจริงๆคือมันเป็นโทษจริงก็คือผลไม้ก็คืออย่างนั้นแหละเป็นเหมือนอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งพวงเหมือนเขียงสับเนื้อเป็นที่รองรับการสับการโขกตรงนี้คำว่าเป็นเขียงเขาสับเขาโขก แต่บางทีบางทีไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนีน้บางครั้งเนี่ยต้องทนนะเขาว่าเขาดา่าเขาอะไรต่างๆก็ต้องยอมยอมไปอย่างนี้เออยอมยอมขนาดนั้นเหมือนแหลงเหลาเห ล, เลยกก็ว่าทิ่มแทงเหมือนศีรษะงูหน้าระแวงมากเพราะมีภัยเฉพานะนะถ้าถ้าเราเป็นนอนอยู่แล้วก็เห็นหัวงูก็โพออยู่ จะนอนหลักไหไ huh. แล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็คือสีสามงูนี่แหละแล้วทําไม น, นอนหลับสบายก็แม่อัตมาชอบอยู่คาหนึ่งนะตอนที่ก็ถามพระถามพระบอกว่าท่านนอนหลับไหมใช่ไหมพระท่านก็บอกว่าก็คนที่เขามีลูกศรเสียบอยู่ที่อกเขายังนอนหลับได้ทําไมอัตมาไม่มีลูกศรแล้วจะหลับไมได้ ก็คือคนที่มีราคาตัวสาวโมหะไหมก็คือลูกศรปักอยู่ในใจเลยเขายังนอนหลับเคลืนสบายเลยคาร ว, ว่าที่ไหนแล้วคน้าเรยะตั้งหลายท่านถอนลูกศร อ, ออกหมดแล้วนั้นท่านจะนอนไม่หลับได้ยังไงนั้นท่านจะมีความสุขท่านจะมีความโล่งมีความโปร่งมีความเบาต่างกันยริงๆแล้วก็มาพิจารณาดูที่ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราถอดราคาตัวสาวโมหะออกจากใจได้ถามว่านั้นเราจะโปร่งไหมเราจะโล่งไหย เราจะมีความสุขมากหายใจคล่องตอนนี้นอนหายใจไม่มค่อคล่องก็เลยหายใจไม่สะดวกอึดอัดแต่พระอริยะทั้งหลายเนี่ยท่านหายใจคล่องหมดแล้วนี่เป็นอย่างเนี้ตรงนี้ก็คือว่าหน้าระแวงเฉพาะหน้าแล้วก็เป็นนิมิตเหตุที่สร้างความเสียหายในทิฏฐาภพบแล้วก็ในสัมปรายภพบเนะี่ยเหมือนกับสีสัตว์งู นี้เป็นข้อความในการย่อๆที่ที่เป็นในอัจฉริยไม่ใช่มรณิกายที่เอามากาไว้ในมูลปันนาในกัมพีปะปันเจสุธนีใช่ไหมส่นรายละเอียดต่างๆเหล่าเนี้ยก็ต้องไปดูในไหนเดียไปดูในอารักขูปมสูตรนะนะไปดูในนั้นอัจฉริยอารักถูปมสูตรแล้วก็อัจฉริยะพระสูตรในอังคุตระนิกายแล้วก็ในปัญจกามิบาทก็ไปดูตรงนั้นนะเนาะทีนี้อีกในหนึ่งในศีระคันดาวัตร ท่านกล่าวก็ไว้เกี่ยวในเรื่องของอบรรดาทิฏฐิทั้งหลายในบรรดาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะที่เราจะมาศึกษาในรายละเอียดตรงนี้ตรงนี้ก็คือเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือว่าเอาเอาทิฏฐิมาแจงเอามาดูรายละเอียดเพื่ออะไรเพื่อต้องการอยากจะทราบรายละเอียดตรงนี้แล้วก็จะได้เข้าไปถึงเนื้อหาของพระธรรมเนี่ยนะ ว่าเออการที่เราจะศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนี่ยในเรื่องของทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยมีความจําเป็นมากที่เราจะต้องรู้ในรายละเอียดได้กล่าวไปค่อนข้างหลายครั้งในเรื่องของมิจฉาทิฏฐิในบรรดามิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยนะได้ได้กล่าวในรายละเอียดเขาไว้ว่าในบรรดาทิฏฐีต่างต่างเหล่านีนน้โดยเฉพาะบรรดามิจฉาทิฏฐิทั้งหกสิบสอง นเนวันามิจฉาทิถีทั้งหกสิบสองในสัตว์ที่ยังไม่บรรลุมรรคผลก็ยึดทางสองทางคือทางที่ผิดเขาเรียกมิจฉ่าทิถิกับทางถูกคือสัมมาทิถิการเดินทางผิดนะเกิดขึ้นกับคนพาณิชยนะเขาเรียกพาลูปะเสวนาคือการข้อคนพาณิชยนี่แหละการเดินทางถูกก็คือการข้อคนดีไมาา่ใช่คำว่าสัพพุทสูปะเสวนา ทีนีการเดินทางที่ผิดเนี่ยก็ทําให้เส้นทางของสังสารวัตรนั้นยาวหรือยาวไกลไร้จุดสิ้นสุดก็คือมันไม่มันไม่จบก็ประสบความทุกข์กระเสือกระ ส, ระสนกับความทุกข์อยู่ล่ำไปถ้าเดินทางถูกก็จะมีโอกาสเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วเข้าถึงพระนิพพานเป็นต้นได้ใช่ไหมถ้าเดินทางที่ถูกปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราได้ถูกมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วนี่ถือว่าครึ่งไหม เป็นมนุษย์เนี่ยใช่ไหมถือว่าถูกมาบ้างแล้วที่ฟังพระธรรมบ้าเนเมียนะแต่เหลืออีกมีอีกครึ่งนี้ที่ยากที่จะไปบรรลุนรริพพ า, านเนี่ยงั้นถ้าว่าเราไม่บรรลุพระรนิพพานแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้ทีนี้สัพพัญญุตญาณเนี่ยเป็นพระคุณที่คู่ควรต่อการสรรเสริญเพราะได้อาศัยสัพพัญญุตญาณของพระบรมศาสดานี่แหละ ที่ตรัสบอกทิฏฐิจำแนกทิฏฐิให้กะลาวสัตว์ทั้งหลายได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มในด้านของทิฏฐิทั้งหลายเนี่นะเออในคำพีต่างๆไม่ว่าจะเป็นปฏิจจสมบาทหรือในมัชฌิมานิกายหรือในทีแคณิการป็นเตอรเหล่านี้ที่ท่านแสดงบรรดาทิฏฐิต่างๆเข้าไว้เยอะแยะในบรรดาทิฏฐิต่างๆเหล่านั้นท่านก็แยกออกเป็น10บกลุ่มใช่ไหมเป็นสิบกลุ่ม ในบรรดาสิบกลุ่มต่างๆแล้วนั้นนะก็มีสัตตาวาท่าคือสัตติถีนี่เป็นสี่จำพวกถ้าเอาก จ, จ่าสัตตาวาท่านี่นะเป็นพวกเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบางอย่างเนี่ยสีจ่จำพวกอันตานันติกาวาท่าเนี่ยว า, าท่าที่บางอย่างมีที่สุดบางอย่างไม่มีที่สุดเนี่ยอันนี้สี่จำพวกอาทิตย์เอออวิเลย์เอมราว เ, เขปาวาท่าก็คือพวกมีวาท่าัศสายกระ ด, ดุดวงปาหลาอีกสี่จำพวกอาทิตย์ จากสมุ ป, ปันนาวาธาคืออาทิจัตสุปันนา ท, ทิฐิอันนี้อีก2สัญญีวาธาวาธาเห็นว่าขาดศูนย์ยี่16อสัญญีวาธานี่เห็นว่าไม่ขาดศูนเนี่ยนะอันนี้พวกพวกกลุ่มในเรื่องของเออไม่ใช่สัญญีวาธานี่ขออภัยในกลุ่มที่มีสัญญาอสัญญีวาธาคือไม่มีสัญญาเนี่ยอันนี้อีก8ปเนวาสัญญีก็อีก8อุเฉตวาธาเี่ยเห็นว่าขาดศูนย์ในกลุ่มนี้7 ทิฏฐธรรมนิพานมี5เรื่องแต่เห็นกรรมคุณว่าเป็นท่านิพานเป็นต้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้คือท่านจําแนกบรรณาทิฏฐีทั้งหลายในคมภีร์ในชั้นของพระไตรปิฎกอัจฉริยและดีกาท่านจําแนกเอาไว้ในอังคุตระนิกายข้อจาแนกพวกอาศาทัทิฏฐิอัตานุทิฏฐิคือสักยะทิฏฐีแล้วก็มิจฉาทิฏฐีเอาไว้ที่จะนํามาเก่าเพราะในด้านของอังคุตระนิการเนี่ยจําแนกประเภทของปุก ปกเพกะตะเหตุทิฏฐิอิสราณิ ม, มาณนะทิฏฐิแล้วก็เหตุกราปติยทิฏฐิเนี่ยอันนี้ก็กล่าวเขาไว้จึงซึ่ ง, ง, งตรงนี้ก็จะมากล่าวไว้สักเล็กน้อยใน ค, คัมพีธรรมสังกรณีในศีระประมาตพกวตตปรตามาสะทิฏฐิศีรปตะประมาสทิฏฐิเนี่ยกลุม่มที่ต่างๆก็จะถ้ามีเวลาจะมากล่าวเนี่ยในรายละเอียดตรงนี้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือว่าท่านในพรหมชาลสูตรกล่าวไว้แล้วในทีขนิกายน่ะ จะไม่นมาํามาเก่าวอีกจะเพียงจะพาดพิงบ้างอะไรบ้างก็่อให้เกิดความเข้าใจนะอันนั้นก็คือจะจะจำแนกในสิ่งต่างๆที่จะนํามากล่าวให้เราท่านทั้งหลายได้เกิดความเข้าใจแล้วก็ศึกษาในเรื่องของวิชาทิฏฐิเข้าไว้ได้เห็นสัพพัญญุตยานของพระเจา้าในคุณของพระเจา้านี่แหละแต่เราจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเรามาศึกษาในเรื่องของทิฏฐิต่างๆนี้เข้าไว้แล้วก็จําแนก เ, เกี่ยวในเรื่องของทิฏฐิบางชนิดสามารถ ทำให้ได้วิปัสนาได้ด้วยเพราะปัจจะญาปริกาหายานก็กาจัดพวกทิฏฐิกลุ่มต่างๆ่าเหล่านี้นะพวกพราะเหตุการิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเออพวกกลุ่มที่ไม่ใช่เหตุการทิฏฐิกลุ่มที่ยังไม่ยังยังไม่ชัดเจนในเรื่องของพกเขี้ยดปัจจัยต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมาศึกษาทีนี้ในคมภีร์มีมิจฉาทิฏฐิอีกประมาณสามสิบสี่ทิฏฐิที่เก่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่พุทองค์ไม่ได้ทรงนํามาแสดงไว้ในพรหมชาลสูตรนะแต่อยู่ในที่ที่ โดยตั่วไปโดยเฉพาะในชั้นของคัมพี์สันสกฤตเนี่ยก็จะกาบันดาทิถีกันไว้เยอะเช่นพวกลัทธิบูชายัญเนี่ยพวกโลหิตตกโลหิติกาเอวยพวกนี้เป็นลัทธินะลัทธิคือทิถีเนี่ยลัทธิบูชายัญลัทธิโดยการอยู่ประพฤติพรมแต่ในกระท่อมเนี่ยละที่ว่าโดยการลอยบาปสู่แม่น้ำลัทธิว่าโดยการหลุดพ้นพบจากพบนี้ไปสู่พรหมโลกลัทธิว่าโดยการหลุดพ้นในพบชาติปัจจุบัน ลัดที่ที่หาบบริหารเหมือนกัะลือสีเที่ยวไปเนี่ยนะลัทีที่ถือไม้เท้าสามง่ามเนี่ยอันนี้อีกเยอะยะหมดอันนี้ก็จะไม่นํามาเก่าไม่นํามาเก่าทีนี้สมุดฐานในการที่เรามาศึกษาคําสอนตรงนี้ก็คือว่าสิ่งที่จะได้ก็คือว่าทําให้เราเกิดมีความเข้าใจในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ า, ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะ แล้วก็จะสามารถแยกแยๆอยู่ในบรรดาของทิฏฐิต่างๆเป็นต้นเหล่านั้นได้ประเด็นต่อมาก็คือว่าเคยกล่าวไว้ทีนึงแล้วในในนี้ในทีคัติกาจะไม่นํามากล่าวอีกแต่ก็มาเชีย่ยเห็นเกี่ยวในเรื่องของบรรดาทิฏฐิทั้งหลายคือในบรรดาพวกบรรดาครูทั้งหเนี่ยแต่จะกล่าวย่อๆนะเพราะในรายละเอียดนั้นไปกล่าวไว้ก็ไปหาดูเอาในในรายละเอียดที่ได้บรรยายไปแล้ว ตรงนี้ก็จะกล่าวแบบย่อๆย่อๆก็คือโดยใจความก็คือเกี่ยวกัเรื่องของบรรดารัตธิเริ่มตั้งแต่รัทธิปุระกัสปามัครีโคสาราอธิตาเกศกัมพลนะเนะนี่ยกปักุทักษจจยะนิคนาตบุตรแล้วก็สัญชัยเวรับุทธได้บรรดาครูทั้งหกเนะี่ยว่ากรณีที่เขามีความเห็นต่างๆอย่างไรเป็นต้นนะสรุปออกมาก็แล้วแต่ก็แลกันนะ สรุปบอกว่าราัติของปุรณกัสปะเนี่ยมีความเห็นยังไงมีความเห็นว่าการกระทําดีกระทําชั่วเนี่ยไม่เรียกว่าทําดีทําชั่วไม่เรียกว่าบุญไม่เรียกว่าบาปไม่เรียกว่ากุศลหรืออกุศลอัจฉริยก็จัดรัตีนี้ว่าเป็นอัจเริยทิฏฐิอัจเรียทิฏฐิผู้อัจฉราจารย์ท่านจัดอย่างนั้นเป็นทิฏฐิที่ปฏิเสธการกระทําว่ากายกรรมวิจิกรรมโนโกรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันไม่เรียกบุญไม่เรียกบาป นี่เขเรียกอาจกิริยทิฏฐินี่ปริเสธการกระทําเลยนี่คือของปุรณกัสปะถ้ามัคคิริโคสาละเห็นว่าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทําให้สัตว์บริสุทธิ์เจ้าหมองว่างั้นนะบอกว่าเออสาัตว์ที่จะได้รับความสุขความทุกข์หรือสัตว์จะหลุดพ้นเนี่ยทุกอย่างเป็นไปเองทุกอย่างเป็นไปเองเนี่ยเพื่อนจําจําจําสังสารวัฏของลัฐีนี้ไม่ได้ลัฐีเนี่ยไปอยู่อีกคำภีหนึ่งนะ ท่านมีความเห็นบอกว่าสาัตว์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆกระแสขันธาศัยยตนาของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยหมุนไปเรื่อยๆเหรอเมื่อหมุนหมุนหมุนหมุไปเรื่อยๆนี่นะเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆในสังสารวัฏเนี่ยพอครบกี่กลับกี่หมืน่นกี่พันกี่แปดหมื่นนะนะกี่กลับก็ไม่รู้ามาจําตรงนั้นไม่ได้แต่พอครบจํานวนเขาปุ๊บเนี่ยเขาจะบริสุทธิ์เองอันนี้เป็นกลุ่มสังสารสุทธิ จะบริสุทธิ์ด้วยการได้สังสารวัตรก็หมายความว่าไม่ต้องไปทําอะไรหรอกปล่อยมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆเดี๋ยวในที่สุดจริงๆก็บริสุทธิ์เองคิดอย่างนี้มันก็ะสะดวกดีมีคนคิดมีคนในาศาสนาเราเนี่ยคิดแบบนี้หลายๆท่านเคยฟังผ่านหูมาเลยเนี่ยก็บอกว่าอีสัตทุกคนบรรลุกันหมดแหละไม่ต้องไปเพียรพยายามอะไรหรอกว่างั้นเป็นนักบวชด้วยนะเป็นพระด้วยเนี่ยก็มีความเห็นอย่างนี้ก็มี ให้ทำไปเพียรพยายามเลยแล้วก็จะทําอะไรก็ทําไปเราเห็นว่าอ้าวแล้วมาบวชทำไมผมเห็นว่าผมชอบทําความดีก็ผมก็มาบวชก็คือแต่ว่าทุกคนน่ะไม่ว่าจะชั่วไม่ว่าจะอะไรต่างทุกคนเดี๋ยวก็หลุดพ้นหมดก็าเห็นเงี้ยเนี่ยมันสอดคล้องเราเคยเห็นแบบนี้มาแบบนิดๆหน่อยๆแล้วแต่มันยังไม่ถล่มลึกแล้วยอย่าอย่าชะล่าใจ เนี่ยความเห็นอันนี้ไปเสริมต่อขึ้นมาก็ได้ปัจจัยอีกโอ้แต่ น, นี้ไปแน่นเลยแต่ น, นี้ต้องระวังไว้ไอความเห็นประเภทเนี้ยมันทําให้เสียหายอันนี้คือรัติของมัคคิโคสาละอัตถกาถาจัดว่าเป็นเหตุกติทิเขาเรียกสังสารสุธิจะ บ, บริสุทธิเองน่ากลัวไหมบริสุทธิ์เองใช่ไหมน่ากลัวว่ามันจะไปเข้าใจจะ บ, บริสุทธเองเดินไปเรื่อยๆเด็วก็บริสุทธิ์เองเกิดไปเรื่อยๆเด็วก็บริสุทธิ์เอง ไม่น่าจะคิดได้ใช่ไหมเขาคิดอย่างนี้ได้แต่ก็อีกกลุ่มหนึ่งอชิตาเกษกำพลอันนี้เขาจะใช้ผมคนมานุ่งําพลนคือผมคนหนึ่งเอาเอาเอ า, เอาผมมานุ่งเมื่อที่นี้ตายแล้วขาดศูนย์ทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงไม่มีผลเป็นต้นตรงเนี้เดี๋ยวไปกล่าวนัดไอ้เกี่ยวกับเรื่องของ นาฏีทินนางนาถิยิ้ดถัดงนาถิหูตังเป็นต้นเดี๋ยวก็จะไปนําไปกล่าวตรงนี้และจะแยกรายละเอียดให้และจะได้เชื่อมโยงในมหาจัตตารีสกสูตรให้ชัดขึ้นนะจะได้กล่าวตรงนี้ให้ชัดขึ้นไอ้ตรงนี้ก็อบคุ้งในเรื่องยาวตั้งเรื่องอยี่เงี้ยนะก็จะได้ศึกษารายละเอียดก็จะได้รู้จักตัวตนของวิชาพิธีต่งางๆและจะได้เห็นโทษทีนะการเส้นสวงเป็นต่างๆเหล่านี้ย ผลของอิบากกรรมดีกรรมชั่วไม่มีโลกนี่ไม่มีโรคหน้าไม่มียญิงบิดาไม่มีคุณมารดาไม่มีคุณสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นเนยนะปฏิสนธิอ่ะพวกนี้ปฏิเสธกรรมที่ทําปฏิสนธิได้หลักคือตรงนั้นไม่ใช่เป็นปฏิเสธโอปปาติกะอย่างเดียวเท่านั้นกําเนิดทุกกาเนิดปฏิเสธหมดที่พอไปแปลบอกว่าสาัตว์ที่เกรริดผุดโตขึ้นโอปปาติกะเนี่ยอันนี้ก็ยุ่งสัญญาพรานผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทําให้แจ้งในโลกในโลกหน้า ด้ปัญญาญยิ่งแล้วสอนผู้อื่นนี้รู้ตามนี่นะอันนี้ก็ปฏิเสธทีนี้มนุษย์เนี่ยในในรัฐที่นี้บอกว่ามนุษย์เนี่ยประกอบด้วยดินน้ําไฟลมเมื่อเส้นชีวิตไปแล้วดินน้ําดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ำไฟไปสู่ไฟลมก็ปไปสู่ลมก็เห็นไหมเวลาเขาจะเผาศพมันประกาศรัที่นี้บ่อยดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ําไฟไปสู่ไฟแล้วก็ลม ไ, ไปสู่ลมคืออินรีย์ทั้งหลายก็ย่อมผันแปรไปตามอากาศไม่มีอะไรเหลือ นี่แหล้นเป็นนัติกาทิฏฐิอัตถกถาท่านจัดว่าเป็นนัติกาทิฏฐิเห็นว่าไม่มีหมดเลยใช่ไหมเอามนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นมาก็มาจากดินน้ําไฟลมดินก็ไปสู่ดินใช่ไหมน้ำก็ไปสู่น้ําช่ไหมไฟก็ไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายก็ไปแตกสลายไปในอากาศแล้วมีอะไรไปเกิดไม่มีนี่นัติกาทิฏฐิอัตถกาถาจะเป็นนัติกาทิฏฐิเห็นว่าไม่มีฉั้น บาปมีไหมอย่างเงี้ยแบุญก็ไม่มีใช่ไหมผู้ทําบุญก็ไม่มีผู้ผู้รับผลบุญบุญก็ไม่มีคนทําบาปก็มีมีคนรับผลบาปก็มีความมีนี้น่ากลัวไหมเห็นไหมว่าฝังแน่นในกระแสะขันของสัตว์ประเภทนี้ไปแล้วแล้วก็ออกไม่ได้คือถ้าไปเข้าใจอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนกับปิดถูกรอกแบบว่าอย่างหนานแน่นแล้วนะแล้วก็ออกจากความเห็นตรงนี้ไม่ได้นี่ น, นี่นี่กลุ่มหนึ่งทีนี้ในบรรดา ในอัตถกถาสามัญผลสูตรท่านกมมสอธิบายถึงทิติสข้างต้นนี่บอกว่าในบิดาครูทั้ง6นี่นะปุรณะกัสปะเนี่ยเมื่อทำบาปก็ไม่เป็นนันธรรมชื่อว่าปฏิเสธอะไรปฏิเสธกรรมคือเจตนากรรมอชิตาเกศกรรมพลเนี่ยนบอกว่ากายแตกสัตว์ก็ขาดศูนอันนี้ปฏิเสธวิบาปปฏิเสธวิบาปมาคคริโคสาระบอกไม่มีเหตุนี่ปฏิเสธกรรมและก็วิบาศทั้งสอง ในลัทธิเหล่านี้เมื่อปฏิเสธกรรมเชื่อปฏิเสธวิบากด้วยไหมปฏิเสธวิบากด้วยเมื่อปฏิเสธวิวบากเชื่อปฏิเสธกรรมด้วยใช่ไหมปฏิเสธกรรมด้วยดังนั้นลทัทธิแม้ทั้งหมดนั้นน่ะว่าโดยอัตถะแล้วก็คือปฏิเสธทั้งกรรมและวิ BT. บากของกรรมเป็โดยโดยอัตถะก็คือตรงนั้นแหละแต่ว่าจะมองมุมไหนมองมุมเหตุหรือมองมุมผลปฏิเสธตัวเหตุหรือปฏิเสธตัวผลลัทธิเหล่านี้จึงเป็นอัคริยคิฐิด้วย เป็นอหตทธุกขาทิฏฐิด้วยแล้วก็เป็นนัตถิกาทิฏฐิด้วยฉะนั้นในบันดานี้เนื้ตามิฉาทิฏฐิทั้งสาประการนะั้นเนี่ยบางคนก็ดิ่งสู่ทัศนาเดียวบางคนก็สองทัศนะบางคนก็สามทัศนนะนีก็ก็ไปแยกแยๆตรงนี้ต้องไปเจาะให้ให้เห็นว่าทัศนะที่เขาเห็นเนี่ยเมื่อดิ่งลงไปในทัศนะเดียวก็ดีหรือสองสามทัศนะก็ดีอ่ะเป็นเนื้ตามิฉาทิฏฐิทั้งนั้น อันนี้ถือว่าห้ามสวรรค์ด้วยแล้วก็ น, นิีพานไม่ต้องพูดถึงห้ามทางไป บ, บ, บรชลุพระนิพพานเลยเพราะว่าใครไม่สามารถที่จะสอนสัตว์เหล่านี้ให้บรรลุได้ก็เพระบรมศาสดายังต้องเว้นบุคคลเหล่านี้และเราจะไปเกี่ยวข้องได้อย่างไรถ้าเราไปเกี่ยวข้องก็เป็นโทษโดยส่วนเดียวไม่ใช่ฐานะถ้าเราเจอคนประเภทนี้เดินหนีโดยส่วนเดียวอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่าไปเสพ ค, คุนด้วยถ้าไปเสพ ค, คุนด้วยมันจะเป็นโทษกับเราและข้าวตักข้าวีการให้เราดีๆพอใจ เพราะพระเจ้ายังไม่เหลียวมองเลยใช่ไหมไม่เหลียวมองเลยคือไม่รู้จะช่วยอย่างไรอันนี้เขาเรียกว่าคือชื่อว่าเป็นตอแห่งวตักเป็นผู้เป้าแผ่นดินคนมีมิจฉาทิฏฐิเห็นป่า น, นี่ยออกจากภพไม่ได้ออกจากทังสารวัตไม่ได้พ้นทุกข์ไม่ได้เหตุนั้นบัณฑิตผู้เห็นประจักษ์นี่นะหรือบุคคลที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเห็นชัดแล้ว ถ้าปรารถนาความเจริญนะให้เว้นปุถุชนที่ไม่ได้ไม่ใช่กัญยาณปุถุชนให้ห่างไกลเสียแล้วก็เหมือนกับการเว้นจากหัวของมูหเห่านีอย่างนั้นหละเว้นจากมูเหา่าเฉะนั้นในในคำสอนโดยเฉพาะในพระไตรปิฎกอ่าเล่มที่สิบเอ็ดเก้าสิบเ็ดเล่ม น, นี้ยฉ บ, บับของมระมกงกเนี่ยท่านจะกล่าวไว้ทีเลยบอกว่าโอ้ถ้าเป็นบัณฑิตนะ ปรารถนาความจริงปรารถนาความเจริญนะเว้นปุรุชนเว้นอันธาลุรุชนประเภทนี้เสียแล้วก็ให้เข้าหากายยาณปุรุชนว่างั้นเข้าหากายยาปุรุชนถ้าเห็นบุคคลประเภทอย่างนี้หรือมีมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ก็เหมือนกับงูเลยว่างั้นนะบอกให้เว้นเลยเห็นงูเลยว่างั้นเถะประการต่อมาคือรัตที่ปกขุทากายยาณะนี่ก็เห็นเห็นสภาวะอยู่เจ็ดกองนะเห็นกองของดินของน้ำของไฟ ของลมสี่กองแล้วใช่ไหมเห็นสุขอีกกองหนึ่งเห็นทุกอีกกองหนึ่งแล้วก็เห็นชีวะอีกกองนึงรวมเป็นเจ็ดกองนี่นะเราเนี้ยไม่มีใครทําได้เป็นสภาพวิเที่ยงแท้ยั่งยืนเหมือนภูเขาเลยดุดภูเขาเราเนี่ยก็หมายเขาว่าหุยตั้งมั่นมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่แปรปลุนไม่อาจจะให้เกิดสุขและทุกแก่กันและกันได้รัฐที่นี้จึงเห็นว่าพวกข่าเองก็ดีหรือผู้ใช้คนอื่นข่าก็ดีเป็นต้นนี่ยไม่มีสภาวะไม่มีสภาวะเจ็ดกองนะ เพราะว่าบุคคลเนี่ยอาศัยตราดกรายอย่างคมกริบเนี่ยตัดศีรษะกันเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าใครเป็นคนปงชีวิตของกันแล้วกันเนียเช่นเ้องมีดไปตัดนี่นะไปสอดเข้าไปเนี่ยก็ไปตามช่องแห่งสภาวะจิตกองนี้เท่านั้นก็คือไม่สามารถจะไปฟันถูกดินน้ำฝอยลมแล้วก็สุขทุกข์แล้วก็ตัวชีวะได้ที่นี้เล็กมากไอตัวชีวะไออตัวดินน้ำฝอยลมแล้วก็สุขทุกข์ก็ตัวชีวะเจ็ดเล็กๆเนี่ยเป็นอนูเล็กๆเนี่ยฟันไม่ถูก แทงไม่ถูกยิงไม่ถูกฉะนั้นเราจะสอดมีดดาบเข้าไปสัตว์ราวุธเข้าไปเนี่ยก็ไม่ถูกเลยก็เหมือนไปแยกธาตุออกกันเท่านั้นเองเห็นไหมเขาวิจัยในรละเอียดมันก็จะมีตัวอนูเล็กเล็ที่สุดอย่างเงี้ยปรมนูที่เล็กที่สุดตัวนี้อยู่ฉะนั้นตัวนี้เป็นสภาวะเจ็ดกองเท่านั้นรัตน์นี้จัดเป็นเยตาลวิชาทิฏฐิทั้ง3เลยเป็นทั้งอกขริยะทิฏฐิเป็นทั้งนาฏิกาทิฏฐิเป็นทั้งอเหตทธุกขาทิฏฐิ เช่นเดียวกับลัทธิดังที่ได้กล่าวเนี่ยพวกลัทธิของปกธธนะักขุทักษจยนะมีความเห็นแบบนี้น่ากลัวไหมเนี่ยลัทธิพวกเนี้ยนะลัทธิอีกลัทธิหนึ่งคือนิคร น, นาตบุตรมีมาแล้วนี่นทุกวันยังมีเหลืออยู่มีประชากรในอินเดียประมาณหกล้านคนเว่างั้นเขาว่างั้นแต่แต่ตอนนี้ไปอินเดียนะเห็นก็พูดไปอย่างนั้นก็ไม่เคยไปนั่งนะว่าเท่านั้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาว่ามีองั้นเลยมีสองนิกาย นิการเสวิตตัพ ร, รกับที่กัมพรแบบนิกายที่นุ่งลมผงฟ้ากับการนุ่งผ้าสีขาวๆเนี่ยอมีผ้าขาวๆคุมภูมินี่ก็นิโคราน่าจบุตรอันนี้ถือการทรมานตนในนิเผากิเลศย่างกิเลศอัจฉริยะจัดลทัทธินี้อยู่ในประเภทอัตตกิรามัธยโยโย่ใช่ไหมเวลาศึกษาธรรมจักรกับประวัตนศสูตรเนี่ยพวกนี้จะได้เป็นนักบวชเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตเป็นพวกที่ไม่เกี่ยวข้องในกาลมาคุณแล้ว แต่เห็นผิดเป็นอัตติกิริมาธานุโยคคือทรมาร์ร่างกายคนเองแล้วก็ถือว่าเป็นการย่างกิเลสทําให้กิเลสให้หมดแล้วก็เป็นลาธิที่ชดใช้กรรมเพราะว่าคือคือถือว่าตัวเองกรรมทั้งหลาย่ตัวเองทํามาเน้นทรมาร์ไม่หมดเสียในส่วนจริงพ่าพอพอวิบากหมดกรรมหมดกเวทนาก็หมดเมื่อเวทนาหมดก็สิ้นเวทนาก็สิ้นทุก คือหมดเขาทาลายเวทนาสูงสุสดหมดเมื่อไหร่เวทนาสิ้นก็สิ้นทุกเมื่อสิ้นทุกก็สิ้นกรรมก็สิ้นจากสังส า, า, าวรวัฏนี่เขาก็คิดว่าเขาพ้นทุกได้อันนี้เป็นเป็นอย่างนั้นมันก็ทรมานไปเนีายเอาเวทนาที่เจ็บปวดเลยๆ เ, เขาทนเนี่ยก็คือก็อวทรมานเพื่อให้สิ้นเวทนาเนี่ยเออเมื่อสิ้นกรรมนะก็หมายกับว่าเขาใช้กรรมไปแล้วก็เพื่อจะทรมานจนถึงสิ้นเวทนาก็สิ้นเวทนาก็ชินสิ้นทุก เมื่อส้นทุกับออกจากสังสารวัฏได้แล้วเพราะงั้นเนี่ยพระเจ้ายังไปถามเลยบอกว่าไปถามมิโครนไม่เคยไปถามเพฮ้ยถ้าถามทําไมไม่พระเจ้ากับาศาสดาของบรรด า, าศาสดาทั้งหกเนี่ยไม่เคยเจอพระเจ้าเลยเนี่ยไม่เจอมีเจอแต่ลูกน้องเพราะอะไรอา้าเพราะอะไรอา้อาวเเพราะอากุศลกรรมที่ตนเองทํามาเป็นาศาสดาก ร, รมเหล่านั้นเลยเป็นเหตุทําให้กั้น ไม่เจอศาสดาเงินคือไม่เจอศาสตาที่ถูกเพราะตนเองไปตั้งจิตปรารถนาจะเป็นศาสดาที่เป็นประเภทอย่างเนงี้นั้นไอตัวกรรมที่ตนเองกระทำไว้ที่รุนแรงมากเลยเป็นตัวกั้นทําให้ไม่ได้พบเจอพระพุทธเจ้าเลยก็มีในลูกศิลู ก, ลกห้าที่เชื่ออะไรต่างๆแล้วก็ไปสละลัทธิอันพอได้ที่ยังไม่รุนแรงทั้งหลายนี่แหละก็เป็นนันดาฉะนั้นอย่าปรารถนาเป็นศาสตราจะขายถ้าอย่างนัน้จะไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าเลยนีนะ ตรงนี้ละทีตรงนี้เขนิครนหน้าทบุตรอีกลทัทีหนึ่งก็คือสัญชัยเวรัตทะบุตรหลีกเลี่ยงไม่ตอบปัญหาที่ได้กล่าวไปนะอัตกถาจัดลทัทีนี้อยู่ในประเภทอมาราวิเขปัทิฏฐิอมาราวิเขปทัทิฏฐิก็คือเป็นทิฏฐิประเภทที่บอกว่าปฏิเสธปฏิเสธการปฏิเสธในบรรดาละทีต่างๆเหล่านี้ในกรณีที่เขาปฏิเสธนี่นะ ยกตัวอย่างอย่างนี้หนึ่งเคยว่าทะเคยเอามาเอมา ร, ราเข้ปาทะวาทะวาทะที่มีการสัดสายไม่ตายตัวสประเภทอย่างเช่นว่าเขาเกรงว่าจะพูดเท็จก็เลยปฏิเสธว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่นี่นะเขาปฏิเสธนี่นะแล้วเขาปฏิเสธต่อไปว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่แล้อย่างนี้ใช่ไหมบอกไม่ใช่อย่างนั้นเระบอกอย่างนั้นก็ไม่ใช่ อย่างอื่นนะบอกอย่างอื่นก็ไม่ใช่นี่ปฏิเสธสาครั้งเลยนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่อันนี้ปฏิเสธไม่ใช่ดีนะมีใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นี่ปฏิเสธลักษณะเองว่าจะยึดถือกับปฏิเสธแบบที่หนึ่งแล้วเกรงว่าจะถูกซักถามก็ปฏิเสธอีกแบบหนึ่งเพราะไม่รู้จริงก็ปฏิเสธอีกแบบหนึ่งเพราะไม่ยอมรับหรือยืนยันอะไรเลยนะเนี่ยลัทธิอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็น อมราวิเคปะวาทะนี่เป็นของสัญชัยเวรแลพระบุตรนี่ก็เรียกว่าท่าหลบเลี่ยงไม่ตายตัวอันนี้ก็ก็ไปศึกษาอย่างนี้ในบรรดาปุรณะกสปามัคนณิโคสาปดุขะปักกุฏท่ากระจายยนานิคนน้าจบุตรเป็นสัตสตริทีก็ได้หรือเกี่ยวในเรื่องของเทียบนะอชิตาเกศกบมพก็เป็นอุเฉตอาทิตทีราชที่เขาครูทั้งหเนี่ยสัญชัยเวรแลพระบุตรเป็นอมาราวิเคปะ ว่าค่าไม่แน่นอนแค่ตรงนี้ก็คือพอเราจับประเด็นของบรรดาทิศทีต่างๆเหล่านี้ได้แล้วก็เกี่ยวในเรื่องของมาทําความเข้าใจเกี่ยวในเรื่องของคําสอนทีนี้ในคําสอนที่เรามาศึกษากันตรงนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับในเรื่องเวลานิดนึงนี่เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบตรงนี้้ดูสักนิดนึงนะก่อนจะหมดเวลา เรียกเทียบก็คือพูดถึงในเรื่องของบรรดายุทาทิฏฐิเหมอสรุปก่อนแล้วก็ค่อยมาตามรายละเอียดกันอีกทีคือสรุปตรงนี้ก็ไว้เพราะว่าจะได้เข้าใจ เ, ออเข้าใจเกี่ยวเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเ อ, อเขาเรียกนิยตะเข้าไปเกี่ยวในเรื่องของอัตตาทิฏฐิอัตตาทิฏฐิก็คือสักยะทิฏฐิที่ไปเห็นว่าโดยความเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขา ถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายก็เรียกสักการทิฏฐิที่มีวัตถุยี่สิบเนี่ยถามว่าสักการะทิฏฐิที่มีวัตถุยี่สเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเขาไว้ว่าดูก่อนภิก ษ, ษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นซึ่งความอื่นแม้ข้อหนึ่งอันเป็นเหตุใช่ไหมอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าและว่ากายแตกกายทําลายไปย่อมเข้าถึงทุกขติวิบากนรกเหมือนอย่างมิฉาทิฏฐินี่เลย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฏฐิผู้มีความตายเป็นสภาพผู้มีความตายเป็นไปในเบื้องหน้าเนี่ยเพราะความแตกแห่งกายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวิมาตนารกดังนี้ฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิฮะถามว่ามิจฉาทิฏฐิอะไรกั้นอะไรบอกในบรรดามิจฉ า, าทิฏฐิบางอย่างเป็นเครื่องกั้นสวรรค์ด้วยเป็นเครื่องกั้นมรดุด้วย บางอย่างเป็นเครื่องกั้นมร์เท่งนั้นไม่เป็นเครื่องกั้นสวรรค์บางอย่างไม่เป็นเครื่องกรร ikal, งอั้นสวรรค์ไม่เป็นเครื่องกั้นมร์แน่แท้บรรดาบรรดาทิฏฐิต่างๆมิจฉาทิฏฐิก็คือเหิยทุกขทิฏฐิอกคริยาทิฏฐินาติกาทิฏฐิย่อมเป็นเครื่องกั้นสวรรค์ด้วยมีโทษมากด้วยเป็นกรรมบทด้วยเป็นเครื่องกั้นมร์ด้วยอันนี้ท่างกล่าวไว้ชัดเจนอย่างนี้นะแต่พวกอันตะคาหิกามิจฉาทิฏฐิสิประการสัสโตโรเยโลกเที่ยง <master controlling noise> <master tones> ใชเป็นเครื่องกั้นมรรคเพราะความเป็นวีปริตาทัศนะเป็นทัศนะที่กั้นสวรรค์ด้วย เ, เขาบอกทัศนะนี้ไม่การสวรรค์ท่วังนั้นไม่การสวรรค์เพราะไม่ถึงก ร, รมบว ท, ทีนี้สักยะทิฐิสักยะทิฐีที่มีวัตถุ20ย่อมเป็นเครื่องกั้นสวรรค์ไม่เป็นเครื่องกั้นมรรคที่แน่เทียวทีนี้ อนนี้ขยักอีกในหนึ่งนะเดี๋ยวอยาเชื่อดูแต่ปฏิเสธซึ่งมีวิธีดังกล่าวนั้นอธกถาท่านบอกว่างั้นวิธีดังกล่าวนั้นเชื่อว่าทิฏฐิโดยที่สุดแล้วแม้สักยะทิฏฐิเห็นว่ารูปเป็นเราเราเป็นรูปรูปอยู่ในเราเราอยู่ในรูปนะหรือว่าเนี่ยการเห็นเป็นทิฏฐิต่างๆที่เห็นว่าเป็สัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาทั้งมีวัตถุยี่สิบ เอาคันห้าไปคูณสี่เนี่ยเป็นยี่สิบเนี่ยยี่สิบประการในชื่อว่าสามารถเพื่อจะนำไปสู่สวรรค์ยังมไม่มีเกาคือย่อมยังสัตว์ให้จมลงในรกโดยส่วนเดียวเท่านั้นเพราะในวัจจนาถักโดยพระวัจจนาในแบบสูตรมิจฉาทิฏฐยาภิกขเวสมนานาคาตาดูก่อนพิกธสูตตั้งหลายสัตว์ผู้ประกอบไปด้วยมิจฉาทิฏฐิจริงทีเดียวเหมือนอย่างว่าก้อนกรวดเหมือนก้อนกรวด แม้ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวเท่าถั่วราชมาสก็เห็นถั่วราชมาตสไหมเป็นยังไงไม่เห็นนะเอาเอาถั่วเขียวไปแล้วไปเอาเม็ดหินเนี่ยนะเท่าเม็ดถั่วเขียวโยนลงน้ําเนี่ยจมเรือร่อยจมโดยส่วนเดียวชั้นใดฉะนั้นกรณีที่มิจฉาทิฏฐิถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแล้วเกิดขึ้นในกระแสะขันของท่านบูดาหแล้วที่จะให้สวรรค์เป็นไม่มีลงนรกโดยส่วนเดียว นี่พุทธพจน์ทีนี้ตรงนี้ทําไมพระอ า, า, าจารย์บางที่บางแห่งยิงบอกว่าพูดให้หายใจโลงๆกันหน่อยเนี่ยนะว่าทำไมถึงบอกว่าเออทาไมถึงบอกว่ามิจฉาทิฏฐิบางอย่างไม่กั้นสวรรค์กันเต่มาร์กเท่านั้นแต่มาร์กในกันแน่นอนเนะียถ้ามีมิจฉาทิฏฐิไปขึ้นชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิกั้นสวรรค์จริงๆและลงนรกโดยส่วนเดียว ยกตัวอย่างเช่นในขณะใกล้าตายและเกิดโลภะเพราะมิจฉาทิฏฐิมันก็เกิดเป็นปกติของชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมแต่พอใกล้จะตายโลภะไปเกิดในขณะนั้นถามว่าจะไปสวรรค์ได้ไหมนั่นแหละท่านึบอกว่าอย่าให้เกิดนะเกิดแล้วก็ไปในรกโดยส่วนเดียวยิงทีแต่ถ้าหากว่าตัวกรรกรนน้า่นนั้นพอใกล้จะตายจริงเป็นกุศลเทวนาเกิดมันหลุดไงตัวตัวมิจฉาทิฏฐิมันหลุดจากกระแสใจในขณะนั้น ทั้งที่มันยังละอะไรไม่ได้หรอกแต่พอดีเนี่ยตัวกุศลชาวนะมาเกิดทั้งกิจก็กุศลกรรมก็ได้จังหวะได้โอกาสที่เคยทำไว้ก็ให้บิบาทันทีก็เลยผลิตปฏิสนธิให้ด้วยการมีชาวนะที่เป็นกุศลชาวนาอะไนึกยึดหน่วงเอาใช่ไหมก็เลยได้เราบรรดาไอกรรมมะอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์หรือกตินิมิตอารมที่มาปรากฏในบราณาสถานการนั้นชาวนะที่ปรากฏในบราณาสถานการนั้นเป็นกุศลชวนะ พะเป็นกุศลเจานาเสียก็มิฉาทิฏฐิอย่างเล็กน้อยก็จริงอยู่ก็หลุดจากกระแสจิตในขณะหนึ่งในขณะนั้นชื่อว่าไม่กัน้นที่อาจารย์จะบอกไม่กัน้นหมายถึงไม่กั้นอย่างนี้ไม่กั้นสวรรค์แต่จะไปคานพุทธพศไม่ได้เพราะพุทธพศจะบอกไว้เลยว่าขึ้นชื่อว่ามิฉาทิฏฐิแล้วลงอบายภูมิโดยส่วนเดียว เทนต่าเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้สัตยญาติทิเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยความเห็นสัตว์นี้เห็นผิดเนี่ยความเห็นที่สัตว์ทั้งหลายเห็นผิดอะไรเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยการลงอบายภูมินั้นอย่าให้เกิดทุกวันนี้ถ้าเกิดก็เพียนถอนเพียนละเพี้ยนิจัยเพียนทำความเข้าใจเยอะๆแต่ต้องอปัญญาไปเข้าใจนะอย่าไปเอามิจฉาทิฏฐิไปเข้าใจมิจฉาทิฏฐิ พ่อมิจฉาทิถีเขาเข้าใจมิจฉาทิถีได้นะคือเขาเข้าใจว่าเออเนี่ยความเห็นอย่างเงี้ยเป็นสัตว์เป็นบุคคลยังเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ทางนั้นปักปกุทากัจัายนะนี่คนน่าจะบุตรใช่ไหมสันชัยเวล้วเขาบุตรเป็นต้นเหล่านี้เขาเห็นเป็นสัตว์บุคคลที่ไหนละเห็นเป็นดินน้ำไฟลมนี่การเห็นเป็นดินน้ำไฟลมเนี่ยไม่ใช่ปัญญาเห็นแต่มิจฉาทิถีไปเห็น เห็นไหมก็เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นชีวะไอเจดกองเนี่ยข้าไม่ตายเนี่ยมันก็ปัญญาหรื อ, อมันก็มิจฉาทิฏฐิไปเห็นได้หรือบางกลุ่มเห็นว่าดินน้ำไฟลมดินไปสู่ดินน้ําไปสู่น้ำไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายก็กระจายไปตามอากาศอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญญาเห็นแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นอย่าไปคิดว่าตัวมิจฉาทิฏฐินั้นไม่รู้จักปรมัตาเขาเข้าใจปรมัตลึกกว่าที่เราเข้าใจซะแล้ว เราจะได้ต้องวาระวังว่าจริงๆแล้วเนี่ยว่าเราไปเดินเจริญวิปั ส, สนาเนี่ยมันเป็นปัญญาจริงไหมเนื่องเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเห็นเข้าจใจอย่างตัวเนี้ยอ่านี่สองคนับเวลานี้นะก็เดี๋ยวก็ได้แผ่ส่วนกุศลกันตรงนี้พอจะเข้าใจในนี้คือกลุ่มของมิจฉาทิฏฐิงั้นถ้าหาว่าเข้าใจมิจฉาทิฏฐิตรงนี้จะตรงนี้ก็นี่ก็สะดวกแล้ว ความเข้าใจมากขึ้นและต่อไปจะได้ไปแยกแยะไปแยกแยะรายละเอียดทั้งไปแยะรายละเอียดงทีนี้ก็เออเวลาไปเจริญกรรมฐานกัก็ดีฟังว่าทำก็ดีใช่ไหมแสดงธรรมหรือว่าสาธทยายธรรมตึกใ้พระธรรมากรรมฐาน3าอย่างใดอย่างหนึ่ไปบริหารก็จะบริหารด้วยสมาธิธิไม่บริหารด้วยวิาทิฏิเนี่ยก็เดนต่อไปก็รที่สบร ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเธออาหารอเ ว, โวุโอมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อกันและอาหารอัปยาปะโนี้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทท่าทางโงละเดื